นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเ้าก็ขออนุโมทนาเนี่ยต่อไปก็ศึกษาพระธรรมตเออในตอนนี้ก็ยังกล่าวในเรื่องของในมหาปฏิปิพานสูตรอยู่ครั้งที่แล้วก็พูดถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนสุพัทธะ ปริภาชคเป็นต้นในตอนนั้นที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับสุภัทธาปริภาชกบอกว่าคือสุภัทธาปริภาโชคในไปถามปัญหาท่า น, นต่อมาก็พระอน น, นุ์ห้ามแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ยินก็ก็อนุญาตให้เข้าเฝ้าสุภัทธาปริภาชคจึงได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคให้ถ้อยคําเป็นที่ชื่นชมระลึกถึงการผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย สุภัท ธ, ธะอริภาชคก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสำนักพราหม์เราใดเหล่าหนึ่งเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้ารัตทิคําว่าคณาจารย์เนี่ยม่ใช่คำว่าคันเน่คณาจารย์เนี่ยทราบเนี่ยแปลว่าคณาจารย์มียศเป็นเจ้ารัตทิเป็นชนเป็นอันมากสมมุติกันว่าเป็นคนดี ในยุคนั้นก็มีปุรณะกัสปะมัคลารโคสาละอชิตะเกศกัมพลปากุทากัจยยนะสัญชัยเวรทบุตรแล้วก็นิคนนาทบุตรแล้วน้นเขาเรียกครูทั้งหกแล้วในปัจจุบันนี่ลทัทธิครูทั้งหกนี่ก็เฟื่องฟูเต็มโลกไปหมดแล้วครูทั้งหกถึงแม้ตายก็จริงใช่ไหมแต่ว่าลูกศิษย์หรือลทัทธิครูทั้งหกนี่เต็ม สมณพราหมณ์เหล่านั้นตัดสรู้แล้วตามปฏิญญาณของตนหรือทั้งหมดไม่ได้หรือตัดสรู้บางพวกไม่ได้ตัดสรู้ก็ถามบอกว่าได้บรรดาสมณะเหล่านั้นใครตัดสรู้ใครไม่ได้ตัดสรู้ตัดสรู้ทั้งหมดหรือว่าตัดสรู้เฉพาะบางคูมบางกลุ่มพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยสุภะทะข้อนั้นหยุดไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกะ เ, ออเวลาพระพุทธเจ้าจะกล่าวหรือจัดแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าเออเราจัดแสดงธรรมแก่ท่านเนาะท่านจงฟังอันนี้บอกว่าเออจงทำสุดตาให้ดีจงใส่ใจให้ดีนี่แบบว่าเออจงมนสิการให้ดีนะจงมีโยนิโสมนสิการให้ดีเนะ น, น, นี่ยจงใไข่ครวนคําสอนที่พัฒถาคดจะ ก, กล่าวในโอกาสต่อไปนี้หนึ่งแล้วก็บอกดูก่อนสุภัตถะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นหาไม่ได้ในพระธรรมวินัยใดแม้สมณฑที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็หาไม่ได้ในพระธรรมวินัยนั้นสุภัต t อเรียมักอันประกอบด้วยองค์แปดหาได้ในธรรมวินัยใดแม้สมณฑที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนั้นสุภัท t อรียมักอันประกอบด้วยองค์แปดหาได้ในธรรมวินัยนี้ธรรมวินัยนี้คือธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่นะ ฉะนั้นสมมนาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้แล้วก็บอกว่ารัตที่อื่นๆว่างจากสมณะผู้รู้ฉะนั้นรัตที่อื่นเนี่ยว่างจากพระโสดาบันว่างจากพระสกาทาคาว่างจากพระนาคาและก็ว่างจากพระอระหันต์คือไม่มีพุท ธ, ธะในเสาในในในรัตที่อื่นคำว่าผู้รู้เนี่ยเป็นชื่อของพุท ธ, ธะใช่ไหมพุท ธ, ธะมีกี่ยาพวกมีมีสี่ 4. หนึ่งสัมมาสัมพุทธะไม่มีอยู่ภายนอกพุทธศาสนาคือผู้ที่ตัดสู้เองแล้วก็สอนให้คนอื่นตัดสู้ตามนี่เขาเรียกสัมมาสัมพุทธะประการที่สองคือปัจเจ ก, กพุทธะอันนี้ตัดสู้ได้เฉพาะตนแต่ไม่สามารถประกาศสอนให้คนอื่นตัดสู้ตามได้ประการที่สามคือสาวกาัพุทธะอันนี้แปลว่าตัดสู้ตามพระพุทธเจ้านี่คือสาวกสุดท้ายก็คือสุดตพุทธะ อันนี้คือฟังทรงจําจนทําให้สุดตาศรัทธาศีลเป็นต้นเกิดขึ้นเป็นได้อย่างสุดตาพุทธคือฟังแล้วเกิดศรัทธาในพระธรรมวินัยของพระผู้ทธมีภาคเจ้าแล้วก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายไม่ปั่มาาฉะนั้นพุทธะสมณะผู้รู้เนี่ยพุทธะเนี่ยนยผู้รู้เนี่ยผู้รู้ไม่มีอยู่อยู่ภายนอกพระธรรมวินัยนี่คือพุทธะทั้งสี่จำพวกเนี่ยดังที่ได้กล่าวเนี่ย มีอยู่ในทวนันนี้เท่านั้นสุภัสทะก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึ่งว่างจากผ้ า, หารหัสทั้งหลายออท่านก็ไปแก้ว่าไอ้อยู่โดยชอบเนะี่ยอยู่ยังไงทำยังไงที่เรียกว่าอยู่โดยชอบตรงนี้ก็บอกว่าก่อนทีไ่ไปถึงความหมายตรงนั้นนะ น, นะบอกว่า เดี๋ไปขยายดีดูก่อนสุภัส้าเรามีวัยยี่สิบเก้าปีบวชแล้วสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคําว่าสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลในที่นั้นไม่ใช่สแสวงหาทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลทำชั้นต้นนะแต่สแสวงหามรรคกุศลคืออ า, าลัยมรรเพื่อแสวงหาอะไรอาหัยธรมมรรคที่เป็นกุศลเนี่ยว่าอะไรคืออาลัยธรมมรรคพระเจ้าประบวชแล้วเนี่ยไม่ได้สแสวงหาสิ่งอื่น ไม่ได้สแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงนยแต่สแสวงหาว่าอะไรคือทางหลุดพ้นอะไรคือปฏิบัติให้เข้าถึงความหลุดพ้นตั้งแต่เราบวชมานับได้ห้าสิบเอ็ดปีแม้สมณะเป็นไปในประเทศแห่งธรรมเป็นเครื่องนําออกไม่มีภายนอกแต่พระธรรมวิ น, นัยนี้บอกว่าห้าสิบเอ็ดปีที่บวชมาเนี่ยได้สัมผัสและที่ภายนอกไม่มีเลยสมณาเหล่านั้นที่จะแสดงธรรมเป็นเครื่องออกจากวัฏฏะทุก คือจะแสดงนิสระธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ออกจากวัตตะออกจากสังสารวัฏออกจากขันธ์อายตนะธาตุไม่มีนี่พระญาณยืนยัเนยเมื่อพระครูเมียภาคเจ้าตรัสอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยสุภัสทาปริภาชคกาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักยิ่งนักดุดบุคคลหนังหายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางแล้วก็ส่องประทีปในที่มืด เพื่อผู้ที่มีจกักษุเห็นรูปแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศทำโดยอนเนกปริยาฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะข้าพระองค์พึงได้พันประชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคคือประกาศตนเองขอถึงพระธัตนาตรายัยพุทธังสรณังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังขังสระนังกชามิทูติยัมปีและก็ตาติยมปีพวกเราประกาศกันบ่อยนะตรงนี้นะแต่สารณะก็เศร้าหมองอยู่เรื่อย ทำไมถึงเศร้าหมองเมืบ่บางทีกิเลสมันมามันมาชักใจทำให้ใจเราหวั่นไหวตลรดนะบางคนถึงขนาดวันก่อนไปฟังเขาที่ที่เนี้ยที่จังหวัดเข้ามาเข้ามาถามประเด็นเกี่ยวในเรื่องมันมีอยู่1ิบประเด็นในประเด็นนั้นก็ถามว่าพุทธศาสนาคนเป็นศาสนาพิชาริาหรือไม่ก็ต า, ามประญาปติก็เลยเอาไปกับเขาหน่อย ไปนั่งฟังเขาก็ ว, าว่ากันไปก็มียอมผู้หญิงคนอาจารย์ก็ไปลงชื่อกขไปขอข อ, ขอลงอภิปรายนะ <c oughs> ยอมผู้หญิงคนนึงก็มาออเยอะข า, ขออ เ, ขาเอาเขาเอายอมผู้หญิงก็ไปแม่ไปพูดย้อมพูดไปทั่วแต่เราก็อืม้มสักพักหนึงทำท่าจะลกไปอามีพ้าอันนึงลกตัดหน้าไปเลยไม่ได้พูดหมดเวลา ที่จริงถ้าไปพูดก็ดีเหมือนกันถ้าไปพูดตอนนั้นเราสงสัยก็ลำบากอีกเดี๋ยวไปพูดเขาตรงๆก็ลำบากกันเลยนะคือคือจริงๆเวลาเท่าที่สังเกตดูเนี่ยชาวพุทธไม่ได้ประเด็นที่แท้จริงพอไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงก็เลยลุกขึ้นมาค้านเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าเป็นห่วง งั้นเวลาคนที่มีหน้าที่นำเสนอทั้งหลายในยข้อมูลไม่ดีเลยเวลาไปเนี่ยบางทีก็ไปยืนสัน่นพพพพพูดออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรเนะแต่ก็ใจก็อยากจะอาจจะรักเพราะศาสนาพูดไปพูดมาไม่รู้พูดว่าหรือพูดชมอะไรเงี้ยนั้นที่ฟังแล้วมันคือตอนเองไม่ไม่ชัดเจนในข้อมูลก็จริงๆไปออกไปก็ทำให้คนอื่นเขาทขางองุดหงิดก็ไม่ดี มีพระอีกรูปหนึ่งออกไปเอาแทนที่จะไปพูดถึงนั้นไปพูดบอกว่าทุกวันเนี้ยวัดมันจะล้างหมดแล้วไปพูดถามไปบอกเขาทําไมวัดจะล้งแต่เราเนื่องจากบอกว่าแต่ละวัดน่าแทบจะไม่มีอยู่แล้วฉะนั้นตามวัดบางวัดไม่มีพระอยู่เลยปราณนั้นนะฉะนั้นจะไม่มีพระอยู่แล้วคือศาสนามันจะหมดอยู่แล้วเลยเขาเขาพูดก็้ไปเพามันคนละประเด็นแล้ว ถือไปพูดตรงนี้เขาก็ยิ่งเออดีแล้วหมดก็ดีแล้วเช่นเมืกี้เขไม่อยากให้ให้ใหมีอยู่นั่นที่จริงไม่ควรไปพูดตรงนั้ น, นจะเลยไปวางเลยเดินกลับไม่ไหวแล้วหมดเวลาเขาไม่ใหเ้เขาบอกว่าเอาและแค่นี้พอแล้วก็ไม่ให้เวลาเขาให้ไปประเด็นอื่นประเด็นอื่นแล้วก็ไม่อยากไปรู้เรื่องก็มากเขาบอกมี มียอมอยู่คนนึงเนี่ยแต่พอภาคกล่าวกันแล้วเนี่ยเาก็ชอบด่าพระเาทัก อ, อาจารย์ก็เลยถามว่ายมคนไหนก็คนนั้นเนีาาน่ยอจย์เลยเดินเดินไปก็เลยไปนั่งคุยถามาจริงๆเนี่ยทุกเวทีในที่ดยวด่าพระจริงเนี่ยถามเาบอกผมมันไม่เลยอธิบายก็ฟังอธิบายพูดอยู่พักหนึ่งสักพักหนึ่งเขาบอกไม่แต่ผมได้ข้อมูลอย่างนี้นก็ไม่ว่าหร อ, อ, อกเาว่างั้นเลนี่ทีหลังอย่าไปด่านะไม่ดีก็เลยบ บอกว่าทุกเวทีเขาไปนะเขาจะชอบด่ทาทั้งนี้ใส่มืทอทะลุยังไงไม่รู้ใครจ้างก็มาถ้าคู่มีประภาคตรัดว่าสุภาาัทระว่างอันนะบอกว่าดูก่อนสุภัทพะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเจริถิหวังบรรบชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้นต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนต่อเมื่อร่วงสี่เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแล้วเนี่ย จึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุแต่ว่าเรารู้ความต่างกันของบุคคลในข้อนี้คือข้อที่ต้องรู้อยู่หรือไม่ต้องอยู่ปริวาสเนะียพระองค์รู้นะสุภัทกราบโพลว่าฆ่าแต่พระองค์ข่าพระองค์จับอยู่ปริวาสสี่ปีเมื่อร่วงสี่ปีแล้วภิกษุทั้งหลายมีจิตดินยินดีแล้วจงให้บรรพชาอุปสมบทแก่ข้าพระองค์ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระนนว า, านนท์ได้เช่นนั้นเธอจงให้สุภัทบาบท พระนนท์ก็กราบทูลรับพระดารัสแล้วสุภัทภาพริพาชกกล่าวกับพระนนท์ว่าดูก่อนท่านอานนท์ผู้มีอายุลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ภาษาสดาทรงอภิเศกด้วยอันเตวาสิกพิเศษที่เฉพาะพระพักในภาษาศาสนานี้ <c oughs> คือสุภัทภาบอกพระนนท์ว่าเว้ยเป็นลาภของท่านบ้านนนนะที่ได้ลกูกศิษยนะ์อย่างข้าในตานองอย่างเงี้ยนะอย่างข้าพรเจ้าคือสแสดงว่ามั่นใจตัวเองมากเลยนะ ว่าคือไม่ทําให้อาจารย์ผิดหวังนั้นนั้นจุดหนึ่งนะถ้าจะสันนิษฐานตรงนี้คือมทําทําให้อาจารย์ไม่ผิดหวังประเภทที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดแค่มองหน้าก็ ร, รู้รู้แล้วว่าอาจารย์จะสั่งอะไรใครเคยเจอคนประเภทนี้ไหมล่ะคือมองปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่าจะทําอะไรนี่ยทั้งนั้นสบายใจเลยจะไม่ไม่ต้องบ่นเลยต้องต้องการขนาดบอกแล้วยังทำผิดนเพราะว่าคนบางคนเป็นอย่างนั้นจริง เขาบอกให้อยู่เฉยๆดีทําอะไรพังหมดเขาบอกให้อยู่เฉยๆดีมียอมอยู่คนหนึ่งอยู่แถวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ไม่สุขหรอกลูกๆเขาพากันมาบอกบอกพ่อหยุดทำได้แล้วทําที่ไรเป็นนี้เป็นศินทุกสิแกก็ไม่อยากหยุดแกก็จะทําแกเลยทําทัวทําำงานทเข้าโพดทำข้าฟังแล้วก็ทําแกเลย แต่ก็มีแต่หนี้แต่สินเต็มไปหมดโลกหลายก็ไปทางานในกรุงเทพกลับมาก็พ่อหยุดได้แล้วพ่ออยู่เฉยๆเนี่ยสบายใจก็ว่ามันแกก็อยู่เฉยไม่ได้พอกหนี้อยู่เลยคนประเภทนี้ไม่ดีนะแล้วมีอีกคนหนึ่งนะเป็นครูอันนี้เหมือนกันแกไม่รู้แกคิดอะไรแกมีแต่หนี้แต่สินเต็มไปหมดละแกคนที่บ้านเนี่ยแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยแกเป็นครูคนอื่นก็เป็นครูกันเขก็อยู่กันดีอย่นะแกเป็นครูแกเป็นหนี้ทั้งหลายล้าน น้าเข้าน้าเข้าเมียโตมาปรึกษาพระดูตาอาจารย์บอกถามทําไงดีเข <c oughs> าบอกวันนี้เขาจะโดนฟ้องร้ไไองอะไรมีวิธีเดียวกับยาซะไม่ใช่พาไปยุให้เขาอย่านะคือให้หยาแต่เฉพาะทะเบียนแต่ว่าตัวจริงไม่ต้องไปหย่าถ้าอย่างนั้นมันจะพ่วงเราจะพ่วงความผิดไปด้วยคือตัดตอนนะตอนนี้ถ้างนั้นเดี๋ยวคำนี่สินไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็เลยเชื่อเขาก็เลยตัดตอนก็คือหยา ยาไปยามาแล้วยาจริงตัวนี้แม่เรายัางนึกไม่สบายใจอย่าทุกวันนี้ก็เลยไปบอกนะบอกว่าไอ้ที่ยาจริงเราไม่ได้บอกนะแล้วบอกให้เพียงแค่ย า, าเท่านี้กลัวเป็นบาปเป็นกรรมนี่ <c oughs> เราบอกว่าไอ้ตัดทะเบียนเออแต่ยาทั้งทะเบียนนะแต่ไม่ได้ยาจริงลูกหลานก็มีเข้ามาเชื่อแล้วเขามันก็ยึดติดหนี้สินได้ต่อไปก็พอกหนี้โดยเฉพาะคนนั้นนี่ต่อมาก็มาอยู่ที่สุพรรณผู้ชายคนนี้ย ลาต้องลาออกจากครูจะโดนฟ้องเนี่ยแกไปไปมาก็ตอนนี้กลับไปที่บ้านภรรยาก็ไปมีแฟนใหม่ <c oughs> แกก็ไปปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแกก็คิดถึงภรรยาแกก็ไม่รู้จะทํายังไงตอนดึกๆ ก, ก็เอาคุยมาเป่า <c oughs> เป่าคุยดังๆเป่าให้ภรรยาได้ยินเป่าอยู่นั่นแหละแกแกคิดถึงเมียแก ภรรยากขาเลกหนักเข้าหนักเข้าทนไม่ไหวอยู่ปีหนึง่งแกก็ เ, เป่าคุยทุกวันแกนะแกก็ ม, มีแฟนใหม่หนักเข้านักเข้าเล่นหนีภรรยานหนีไปก็แฟนใหม่ก็ไปอยู่ที่อื่นขายบ้านขายอะไรหนีไปแล้วไม่รู้ตาไมไปปลูกบ้านเป่าคุยอีกหรอคือคือไม่รู้แกยังไงเนี่ยแกทําอะไรแจ๊งแจ้งคนก็ไม่อยู่แก ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าโอ้ถ้าใครแต่ถ้าหากว่าสุภัสทั น, นี่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าเป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วฉะนั้นสุภาาัสทัศน์ปีน้พาชกได้บรรพชาอุสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วคือว่าให้ผ้าน น, นุนบวชเด่แล้วก็ทูเจา้าบวชพระท่านอุสมบทไม่นานหลีกออกไปแต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทก็จเจริญสติปัฏฐานนะมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่ช้านั้นนะทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ก็คือหมายความว่า จบกิจพรหมจรรย์เจริญสิญสมารีปัญญาก็บรรลุเป็นป้าดานผู้มีความหมายความบอกว่าทำรรที่สุดแห่งพรหมจรรย์นันยอดเยี่ยมที่คุรบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกบวชจากเรืรนเป็นบนรรพชิตโดยชอบด้วยปัญญายิ่งโดยตนเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี สุภัททะได้เป็นพระรหารรูปหนึ่งท่านเป็นศักขีสาวกองค์สุดท้ายย่งนี้เรียกไปเป็นปัชิมสาวกตรงนี้อัตกถาท่านขยายบอกว่าสุภัสโทนั้นเป็นนามปริพาชโกนั้นได้แก่ปริพาชกนุ่งผ้าออกจากตระกูลอาทิตยพราพระมหาศาสตร์กางขาทำโมดได้แก่ทำ ท, ที่เป็นเครื่อข้าวแคบแดงคือท่านสงสัยไงสงสัยคําสอนก็ถามว่าเพราะเหตุไรสุภัททะปริพาชกจึงมีความคิดเห็นในวันนี้ เพราะเป็นผู้มีอุปนิสัยก็คืออย่างที่ได้เล่ามาแล้วบอกว่าในดีตชาติสุพัทธะกับท่านโกนทัญญะก็เป็นพี่น้องกันโกนทัญญะก็พอข้าวออกตั้งท้องก็เอาน้ํานมเข้าวมาทําอาหารผสมอาหารถวายพระเป็นต้นน้องก็บอกว่าไม่ต้องเอาไว้มันแก่ก่อนนเข้าก็เลยแบ่งนากันคนละครึ่งพอแบ่งกันคนละครึ่งพี่ชายก็ทำํำตาความผสมคันต น, นเอง จนเอาข้าวขึ้นล้านเนี่ยสามารถทําไปถวายได้ถึงเก้าครั้งในพุทธเจ้าองค์ก่อนนั่นคืออุปนิสัยในที่สุดอัญญาโกณธัญญะเนี่ยได้ตัดสดุดเป็นองค์แรกในพระพุทธ ศ, ศาสนาส่วนสุพัทธะปริภาชคเนี่ยเมื่อเก็บข้าวเข้ายุง่งเข้าเยือเข้าฉ า, างเรียบร้อยแล้วจึงทําอาหารไปถวายครั้งเดียวแล้วก็ตั้งอัธยาศัยเข้าไว้ก็ได้มาบรรลุ ค, ครั้งสุดท้ายนี่เป็นลักษณะอย่าง ส่วนคำว่ามาพระวันตังวิเหศีเขาไม่ได้ยินว่าพระอา น, นุ์เข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าเดรถีเหล่านั้นน่ะเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพรเจ้าตรัสมากเพื่อประโยชน์ใน ก, การแก้ปัญหานั้นก็จักรลำบากข้างกายและวาจาก็คือบอกว่าพวกเดรถีเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างให้เข้าเฝ้าเลยที่แรกนะแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตก็เลยให้เข้าเฝ้าพระเถลายืนอยู่ใกล้ประตูม่านพระพุทธเจ้าก็ได้ยินได้ยินด้วยโสตประสาท ที่เป็นปกติเลอกเกี่ยวกับในเรื่องของตอนเนี้ยที่พระพุทธเจ้าจะมาปรินิพพานเนี่ยสาเหตุอีกจุดหนึ่งก็คือพญามารใช่ไหมพระเจ้ารับอาราธนาจากพญามารพญามารตอนนี้มีชื่อว่าวัสดีมารวัสดีมารเนี่ยเป็นอะไรกับเ อ, อเป็นอะไรกับพระโมคคัลลานะมีอยู่ครั้งนึ่งนะบนนึกพึ่งนึกได้ วัสดีมารเข้าไปอยู่ในป่าหลีกเล่นอยู่เออขอใครพระโมคคลานะเข้าไปอยู่ในป่าเขาหลีกเล่นก็มีความรู้สึกอึดอัดที่หัวใจอึดอัดที่ท้องอย่างแรงเลยอี้บอกเป็นอะไรเนี่ยนางคิดอย่างนี้นะก็เลยลุกขึ้นนั่งนั่งกรรมานัสิกานเข้าไปในตนเองคือใช้อภิญญาจิตตรวจดูว่าอี้เป็นอะไรท่านมีอภิน ญ, ญาท่านก็รู้อยู่แล้วท่านเห็นมารหนึ่งมารเข้าเข้าไปในร่างกายท่าน มานี้ไม่ธรรมดานะเข้าสู่ร่างกายพระ้าทหารได้วัสดีมานี่แล้วก็บีบหัวใจคือทําให้อึดอัด น, น่ะแต่ทําให้มากกว่านั้นไม่ได้หรอกแกล้งได้พระมคคัลานะก็บอกว่าดูก่อนมานท่านอย่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเลยการเบียดเบียนพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีเลยจะเป็นไปเพื่อประสบทุกตลอดกาลนานนะโอ้ไม่เป็นไปเพื่อโทษและประสบทุกตลอดกาลนาน พอพูดอย่างเงี้ยมานึกในใจว่าเออพระเถระเงาพูดไปอย่างนั้นน่ะที่จริงคงไม่เห็นเราหรอกก็ยังไม่ยอมออกมาเนี่ยพรมคคานะก็พูดดีเป็นครั้งที่สองว่าอย่าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเนะ่ยการกระทํามันนี้เป็นบาปจะประสบทุกข์ตลอดกาลนาน อ, น อ, อย่างนั้นแสดงว่าพระเถระนี่รู้จากเราก็เลยหายออกไปก็ไปหลบอยู่ขอบหน้าต่างพรมกคลานะก็บอกว่าเออนี่เราเห็นท่านนะเนี่ยตอนนี้ท่านย็นอยู่ขอบหน้าต่าง ใช่ไหมทีนี้พระโมคคัลลาน่ า, าก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบอกงั้นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นมารเหมือนกันชื่อทูสีมารเนี่ยนะพระโมคคัลลานะ า, า, าเคยเป็นมารแล้วเรามีน้องสาวชื่อว่ากาลีน้องสาวของเรามีลูกอยู่คนหนึ่งว่างั้นก็คือท่านนี่หลยฉะนั้นท่านก็นอยู่ในฐานะเป็นหลานเรา เออพยายามมาเนี่ยนะเป็นหลานพะโมกขลาณะนั้นอดีตชาตินะสรุปแล้วก็ <ๆ S 1> เวียนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยวัตถาก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นอย่างกลุ่มเราท่านททั้งหลายเนี่ยนะก็เนี่ยเกิดมาวนเวียนวนเวียนกันอยู่สลับกันไปสลับกันมานี่เป็นอย่างนี้อัศอัศโสศิโข ο, ความว่าพระเทรายืนแต่พระาศาสดาทรงได้ยิน Ham, emoji, แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตและทรงแสดงสุพัทธะตอนก็ทรงบอกว่าพระผู้มาเมื่อพระเจ้ายินดีด้วยสดได้ยินด้วยโสตาประสาทธรรมดานี่นะแล้วพระองค์ก็ประกาศว่าจะทรงแสดงทำปวดเจ้ามละตอนบัถมยามแล้วก็จะแสดงปวดสุพัทธะตอนมัดฉิมมยามส่วนตอนปัดฉิมยามนั้นตถาคตจะเสด็จดับขันท์คราวนี้ไผ่านก็ประกาศบอกอย่างนี้นะ ฉะนั้นเจ้าบัลลัก็ก็ได้ฟังธรรมในช่วงปฐมยามส่วนคําว่าสมณะปีตตถาหน้าอุปรพติในพระธรรมวินัยนั้นไม่มีสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันเป็นต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าธรรมวินัยที่นอกจากคําสอนของพุทธเจ้าไม่มีพระโสดาบานันพระสกท า, าคามีพระนาคามีแล้วก็พระอาหารหันต สัมมาวิหาเรเลยยุงอยู่โดยชอบแปลว่าอะไรคําว่าอยู่โดยชอบพระโสดาบันเนี่ยบอกฐานะที่ตนบรรลุกแก่ผู้อื่นนั้นทําให้ผู้อื่นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ชื่อว่าอยู่โดยชอบเช่นถ้าหากว่าใครเป็นพระโสดาบันก็บอกข้อปฏิบัติว่าเนี่ยการที่ท่านจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์แปดมีสมาทิฏฐิเป็นต้นบอกเออให้เจริญลักษณะอย่างนี้แล้วท่านอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่โดยชอบ ถ้าพระสกาทาคามีอ่ะใครเป็นพระสกาทาคามีแล้วรู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระโสดาบันแล้วก็บอกข้อปฏิบัติในการที่จะเข้าถึงเป็นพระสกาทาคามีว่าจะต้องเจริญอริยมรรคโยงแปรยังไงที่จะบรรลุเป็นพระสกาทาคามีถ้านาคามีพระอรหันต์ก็เป็นไปในลักษณะส่วนผู้ที่เริ่มเจริญปัญนาเพื่อเป็นพระโสดาบันก็กําหนดกรรมฐานที่ต น, ตนเองข่องแพล่อย่างเราทั้งหลายนี่นะสมมุติว่าใคร ใครคล่องแก้วในการเจรณาบารันสติใครคล่องแก้วในการเจริญอิริยาบถบัพหรือว่าสัมปชัญญะบัพปฏิกูลมัจจิการบัพเป็นต้นเนี่ยก็ก็บอกแก่แก่เพื่อนหรือแก่คนที่รู้จักแต่ตนเองต้องทำเป็นคร่องแก่วกันนะจนชำนทํานานทั้งปริยะทั้งปฏิบัติแล้วก็บอกคนอื่นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่โดยชอบ งั้นคนที่เริ่มเจริญวิปสัสสนาเจริญสมถะเป็นตอนเหล่าเนี้ก็บอกคนอื่นได้อันนั้นเป็นลักษณะการอยู่โดยชอบที่บอกว่ากิงกุศรานุเวสีได้แก่ทรงสอดแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลพระพุทธเจ้าเสดสแวงหาสัพพัญญุตยานั่นนะว่าอะไรเป็นกุศลในความหมายนะั้นเย อ, อัฏฐะเธอเราใดอันภาษาสดาอภิเศกโดยอันเตวสิกพิเศษเฉพาะ พอพักในภาษาศาสนานี้เป็นรากของเธอนั้นเพื่อเ่านั้นได้ดีแล้วได้ยินว่าลัดทธิภายนอกอาจารย์พูดกับอันเทวสิกผู้ใดว่าจงบรรพชาผู้นี้จงโอวาสั่งสอนผู้นี้อันเทวสิกผู้นั้นย่อมเป็นอนาจารตั้งไว้ในฐานะของตนเพราะฉะนั้นข้อเหล่านั้นจงบวชผู้นี้จงโอวาผู้นี้เป็นรากของอันเทวสิกฐผู้นั้นสู่พัสถะปิภาช ก, ก็มีลัดที่ภายนอกนั่นแหละจึงกล่าวกับพระเทเรนั้นก็ถือว่าเป็นราก ติดความหมายได้ไปสองสองความหมายพระเทละเนี่ยนำสุภัตทะไปที่แห่งหนึ่งก็นำเอาน้ำจากคันโทลถศรีรษะแล้วก็บอกตาจากปัญจกากรรมฐานปงผมและนวดรู้จักตาจากปัญจกากรรมฐานไหมบอกผมขนเล็บฟันหนังบอกห้าอย่างเนี่ยให้ใ ห, ให้บริกรรม ตอนปงผมครั้งแรกเนี่พอน้ำลดศีรษะปุ๊บก็โกนศีรษะแค่มีโกนโกนแล้วก็บอกว่าเกษาโลมานัขาทันตาตาโจตาโจทันตานักขาโลมาเดสานให้พิจารณาแล้วก็ให้ครองผ้ากาสาย่งให้สารณะนําไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือบทเนนเบ็ดเสร็จก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกกรรมฐานเธอรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็อธิษฐานจงกรมในที่ส่วนหนึ่งแห่งอุทยาน ภาพเพียรเจริญวิปัสนาบรรลุปเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทานะแล้วก็เข้ามาถวายบังคมพระผู้มีพระเจ้าท่า น, นเห็นพระเจ้าก่อนที่จะบริณีพรถามปัสสุพัทะเนี่ยเป็นปัดชิมมาสขีสาวกคําของพระสังขีติก า, ารย์ว่าในบรรดาสาวกเหล่านั้นรูปใดบรรประชาเมื่อพระผู้มีพระภาคยังชงทรงพระชนอยู่ภายหลังอุปสมบทเรียนกรรมฐานบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็ดีอุปสมบทเรียนกรรมฐาน ขณาพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ภายหลังบรรลุเป็นพระอรหันต์แม้ทุกรูปก็ชื่อว่าเป็นปัดชิมสักขีสาวกด้วยกันทั้งนั้นคือสังคีติกาจารย์ก็บอกว่าจริงๆคําว่าปัดชิมสาวกอย่านับเฉพาะอย่านับเฉพาะแต่สุภัทะใครเรียนกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุเนี่ยทันเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ต้องจัดว่าเป็นปัดชิมได้ว่านั้นะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตัดกับพระอนุนว่าดูก่อนอาบ น, น์นุนบางทีพวกเธอพึงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพศคือพระธรรวินัยเนี่ยมีาศาสสดาล่วงไปแล้วปาพศมีสองเนี่ยทำหนึ่งวินัยหนึ่งหนงเขาเรียกปาพศคือพระธรรมวินัยนั่นเองที่บอกว่าคำว่าปาพศเนี่ยที่ว่ามีพระาศาสสดาล่วงไปแล้วเนี่ย แล้วต่อมาก็บอกว่าข้อนี้พวกเธอพึงเห็นอย่างนี้ทำก็ดีวินัยก็ดีอันใดเราแสดงแล้วตรงนี้ก็คือพรุทธเจ้าบอกว่าลำดับนั้น พ, พระพุทธเจ้าตรัสกับพระนรนว่าเมื่อเราปฏินิพพานแล้วเนี่ยพวกเธอคิดว่าเพราะปรมาสาวาสดาของพวกเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีอันตถาคตได้แสดงแล้วได้บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ทำและ ว, วินัยแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันนั้นจะเป็นสาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราฉะนั้นพระธรรมธรวินัยที่รวมกันเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันก็มีพระวินัยยปิโดกสองหมืนหนึ่งพันพระสุตตันจะปิโดกสองหมื่นหนึ่งพันพระอภิธรรมปิโดกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันรวมเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมอขันอันนั้นเป็นอะไรเป็นศาสะดาของพวกเธอ ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียใจเลยใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยถามว่ามีพระศ า, าสดาอยู่ไหมบอกมีอะไรแนหะคือพระธรรมะขันธ์แปดหม่นสี่พันพระธรรมะขันธ์ก็คือพระธรรมวิน 8, 000, 000, รรัยคือพระรพไระตรปิฎกนัน่นเองฉะนั้นเมื่อเราศึกษาพระไตรปิฎกก็ชื่อว่าเรามาฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราใช่ไหมมีคนมีบุญนะเนี่ยลองไปนั่งถือถว่าถืเฉลียดูดิ ประชากรในประเทศไทยใน60กว่าล้านคนที่นั่งฟังพระไตรปิฎกเนี่ยถามว่ามีสักกี่คนใช่ไหมคือคนที่จะรู้จักภาษาสดาจริงๆมีสักกี่คนถามว่าพุทธเจ้าปรินพ涅槃แล้วเนี่ยถามว่าปัจจุบันนี้ภาษาสดาคือใครยังอยู่ไหมตอบว่ไม่ถูกหรอกแต่หลวงรากอายุอะไรคือภาษาสดาบอกพระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์ไง พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไหมทำก็ดีวินัยก็ดีอันธพาโคดสแสดงแล้วบัญญัติแล้วไว้แก่เธอพวกแก่เธอละทำและ ว, วินัยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมทัศนจักเป็นาศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราอานน์บัตนินี้ภิกษุเรียกกันโดยวาทาวอาอุโสโดยล่วงไปแห่งเราไม่ควรเรียกกันเช่นนั้นภิกษุผู้แก่กว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนโดยชื่อโดยโคตหรือโดยวาทาวอาอุโส เข้าใจไหมิสูจที่อายุพรรษาแก่กว่าเรียกภิสูจที่มีอายุอ่อนกว่าพรรษาน้อยกว่าว่าให้เรียกว่าอาวุโสพิสูจผู้อ่อนกว่าพึงเรียกพิสูุผู้แก่กว่าว่าพันเตที่แปลว่าผู้เจริญหรือว่าอายสัมาแปลว่าอะไรผู้มีอายุอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสต่อไปว่าอานน์โดยการล่วงไปแห่งเรา หากสงปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยบ้างก็จงถอนเถอะตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเออเนี่ยถ้าจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยนะก็จงถอนก็จงถอนทีนี้อานนท์โดยการล่วงไปแห่งเราสงพึงลงพรมมทันแก่นายฉันนะพระอานนท์ก็ทูล ถ, ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พรหมมทันเป็นช่ไหนบอกว่าอาโนนท์โดยการล่วงไปแห่งเราเนี่ยสงลงพรหมธทันให้แกชันหน้าภิกษุพระอนนท์ก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมธันเป็นช่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปล่อยชันหน้าภิกษุให้พูดได้ตามที่ตนปรารถนา ภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงตัดเตือนและก็ไม่พึงสั่งสอนที่สุดพระผู้มีภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์พวกโธจงถามมาเถิดย่ได้มีความร้อนใจในภายหลังดังนี้ว่าพระผู้มีพภาคอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วก็ยังไม่กล้าทูลถามพระองค์แม้พระผู้มีภาคตรัสอย่างนี้ถึงสามครั้งภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่ง พระพุทธเจ้าบอกหนึ่งให้หลงพรมธนันต์แกนายฉันนะเพราะนายฉันนะยังถือทิฐิก็ให้ปล่อยไปตามว่านายฉันนะจะทําอะไรก็ปล่อยไปตามไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าจะถามเนี่ยนะว่าข้อะ้องใจใดๆก็ให้สอบถามมาพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นถึงสามครั้งภิกษุก็พากันนิ่งอยู่เช่นเดิม นนถ้านนท์ก็ทนว่าน่าอาัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุเหล่านี้ว่าไม่มีสักรูปหนึ่งที่จะมีความสงสัยในพระราตนตรยัยหรือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือในข้อปฏิบัติใดๆเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานุน์ความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคผลในข้อปฏิบัติในปฏิปทากล่าวคือข้อปฏิบัติจักไม่มีแก่ภิกษุแม้รูปเดียวในที่นี้เพราะ ในบรรดาภิกษุสงฆ์เหล่านี้รูปที่มีคุณธรรมต่ำที่สุดก็เป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีทางที่ต้องตัดสรุในภายเนื่ฉะนั้นตรงนี้บอกว่าไม่มีเลยที่ว่าจะมีภิกษุรูปใดที่สงสัยเนี่ยเทสิโตปัญญาตโตข้อความว่าทั้งธรรมที่แสดงไว้แล้วบัญญัติแล้วทั้งวินัยที่ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ย สโวมามัดจจเ ย, ยนะได้แก่ธรรมวิริย์ในนั้นจะเป็นศาสาะของเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงไปแล้วมีความหมายอัธราศาท่านมาขยายตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกบอกว่ากลัวภิกษุสงฆ์จะเสียใจว่าเออไม่มีศาสตะแล้วก็คือพระธรรมวิริยนั่นเองฉะนั้นถ้าใครศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากท่านผู้นั้นก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ถ้าลองคิดดูที่ว่าพระชาวมินายแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยถ้าอยู่ในความคิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะท่านผู้นั้นจะสมบูรณ์มากคือจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีพระเจ้าคอยกระซิบบอกใจ่ไหมจ๊ถ้าเรานึกอะไรจำอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะเจริญอริยมรรคเออเจริญมรรคองแปดก็เจเริญไม่ถูกใช่ไหมเช่นว่าจะเจริญส ม, มาทิฏฐิเราก็ไม่รู้ว่าสมาทิฏฐิควรเจริญยังไงมันก็คิดไม่ออกันี้ยนะก็ไม่รู้จะเจริญยังไง เช่นเรานั่งอยู่เฉยๆนะวันจะเจริญเมตตาไลยจะเลยไม่ถูกเช่นเจริญสัมมาสังกปะเช่นว่าคิดคิดเมตตาเขาเนี่ยนะบางคนก็บอกมาเข้ามาถามบอกว่า เ, ออเวลาจะเจริญเมตตาไม่รู้จะเจริญยังไงก็ว่ากงั้นนะตามบอกกคิดเมตตาเขาเนี่คิดได้ไหมเมตตากายการรมเมตตาวิจิกรรมเมตตามนโนกรรมเขาก็ยังไม่เข้าใจอีกนะอ่าเมตตาก า, า, ายกกรรมต้องทําอย่างนี้ ก็คือเวลาทําอะไรก็ให้ใจเป็นไปกับเมตตาอาจจะกวาดบ้านก็ทําจิตให้เป็นไปกับเมตตาจะถูบ้านจะซักผ้าจะเย็บผ้าจะทําการงานเขียนหนังสือทํางานอะไรต่างๆ่างแบบนี้ให้ใจเป็นไปกับเมตตาอย่างนี้เขาเราียกเมตตากายกรรมบอกอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยอ่าแล้วเมตตาแปลว่าอะไรอ๋อนี่ใช่ไหมคือทําจิตให้มีความลากความปรารถนาดีความเมตตาตนเป็นไปกับตนเองและบุคคลอื่นแล้วเมตตาวจีกรรมแล้วก็พูดอย่างนี เวลาจะพูดเอ่ยปากพูดกับใครก็มีเมตตาออกไปก่อนแล้วก็ถามใช่ไหมไปไหนมาจะทําอะไรอะไรต่างๆก็มีเมตตาไม่ใช่ว่าพอโทสะเกิดถึงพูดถ้าเมตตาเกิดแล้วไม่ยอมพูดใช่ไหมนะงั้นถ้าเมตตาเกิดก็พูดพูดเยอะๆนี่คือเมตตาวิจิกรรมแต่ถ้าโทสะเกิดอย่าไปพูดหนึ่งดังนั้นอย่างั้นพูดโดยโทสะแล้วพูดโดยโทสะนี่พูดนิ่มๆช้าๆได้ไหมได้ไหม อโทศาส์เกิดพูดช้าๆได้ไหมได้เนี่ยบางคนเนี่ยบางคนพูดประชดเนี่ยว่าวันนี้ง่วงเหลือเกินอยากจะ น, นอนก็บอกเ อ, อนอนซะนะอย่าลุกนะนอนให้ตลอดชาติรเลยียเนี่ยอันนี้เป็นโาะนะคดบบ้พูดแบบนี้พูดแบบนิ่มๆนี่แหละแต่จริงๆแงไว้สอันนี้ไม่ใช่เมตตาวาจิกรรมอันนี้ไม่มีเมตตา ลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นพูดช้าก็ได้โทศรศัพท์ไม่จําเป็นต้องพูดออกมาบางทีพูดเร็วๆพูดเหมือนจะมีโทศรศัพท์แต่จริงๆไม่มีะคนบางคนเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ในสังคมเนี่ยนะเออเขาเข้าสังคมกันก็เล่าให้ฟังเขาบอกแหมโกรธแทบแย่แต่ก็ฝืนทำแบบพูดดีๆแล้วก็ฝืนยิ้มด้วยงั้นเขาก็คุยกันดีๆนี่แหละแต่ว่าในใจมันโกรธลอวอย่างนี้ก็ไม่มีเมตตาวิจีกรรม อย่างเช่นเข้าไปในงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานอะไรใช่ไหมก็ไหว้กันเป็นฝักถั่วเลยเนะี่ยทั้งเมตตากายกรรมเมตตาวิาจิกรรมบางทีไม่มีเลยนะบางทีคนคนนี้ยไม่ชอบกินหน้าเลยใช่ไหมแต่มันจําเป็นต้องไหว้าจาเป็นต้องพูดจําเป็นต้องยิ้มให้จะทาไงใช่ไหมก็ยกมือว่า้สวัสดีข้าสวัสดีครับอนะไรเงี้ย <c oughs> แต่ในใจมันในใจออืโกรธมากอย่างเงี้ยไม่มีเมตตา เหมือนคนจีนคนหนึ่งก็บอกว่าแผ่เมตตาเพราะกำลังแผ่แผ่อยู่เ็าถามอาจารย์ ก, รก็ใครก็แผ่ได้ผมขอเว้นตะคนได้ถามได้ไหมวันนีนเเ้เขาพูดว่าเขาจะไม่เผาเลยแต่ลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าไม่มีเมตตาวจีกรรมมโนกรรมเป็นต้นแล้วอีกคำหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอาบัตเล็กน้อย เรายังเป็นอยู่นี้ได้แสดงอุปโตวิพังวินัยพร้อมทั้งคันทกะบริวารแก่เธอทั้งหลายในวัตถุที่จัดไว้ด้วยอำนาจแห่งอาบัตเจ็ดกองนะว่าอาบัตเบาอาบัตหนักนี้อาบัตที่แก้ไขได้อาบัตแก้ไขไม่ได้อาบัตที่เป็นโลกาวัชะอาบัตที่เป็นปันนติวัชะนี้เป็นอาบัตออกไปในสํานักของบุคคลนี้เป็นอาบัตออกไปในสํานักของคณะนี้เป็นออกได้ในสํานักของสงวินัย ปีดกแม้ทั้งเส้นเมื่อเราปริณิพานแล้วจักทํากิจของพระศ า, าสดาของพวกเธอให้สําเร็จคือพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าต้องการจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยตรงนี้ถ้านนถูกกล่าวว่าบัตรอยู่ข้อหนึ่งตอนที่พระเจ้าปริณิพานแล้วเนี่ยสงก็ถามว่านนบอกว่าทําไมไม่ถามว่าอาบัตรเล็กน้อยนี่ได้แก่อะไรเลยไม่ได้ถอนในฝ่ายเทรวาสนี่ไม่ถอนกันสักข้อเพราะถ้าอย่างนั้นจะได้ถอนก็อย่างนั้นเอง ส่วนฝ่ายมหายานเขาบอกไม่หรอมหายานเพื่อมหาชนเขาบอกว่าถ้ า, าหาเผยแผ่าศาสนาแบบเถราวาสเนี่ยคับแคบแล้วก็เขาว่านะมหายานเนี่ยเดี๋ยวนี้เวทีชมก็ไ ป, ไปชุมร่วมกับมหายานวันเนี้เข้ามหายานเนี่ยเขาบอกว่าเทราวาสเนี่ยคับแคบปลีกหาความสุขเฉพาะตนเองไม่ขนสัตว์ไม่ลื้อสัตว์ แต่มหายานเนี่ยเขาเขาเองเขาขอพ้นทุกเป็นคนสุดท้ายนะเขาว่างั้นนะเขาจะขนสัตว์หรือสัตว์ขนสัตว์ที่พ้นทุกไปก่อนเขาเองยอมยอมพ้นทุกเป็นคนสุดท้ายในเรืเป็นปฏิญญาไปอย่างนั้นเนี่ยทําได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมขอพ้นทุกเป็นคนสุดท้ายลองไปดูปลวกปลวกสักกองปลวกนหนึ่งหนึ่งหนึ่งปลวกตัวหนึ่งมีหนึ่งมีขันห้า กว่ปวกจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างคิดดูจะรอพ้นโทษเป็นคนสุดท้ายไม่ไหวก็พูดไปใช่ไหมแต่มันก็ยากดงนั้นเขาก็ตอนนั้นเขาก็แตกแยกออกไปใช่ไม้มก็เพราอมาจากจุดนี้จุดหนึ่งนี่เราบอกว่าอาบัตเหมือนคําว่าโลกวัชชากับปัญติวัชชาเนี่ยเข้าไปแปลกันทุกวันในคารวะก็แปลอบบัตผ้าผิดเขาบอกว่าโลกวัชชาปแปลว่าโลกตีเตียนคือโลกวัชชาเนี่ย ปณติวัชชาเนี่ยเขาบอกแปลว่าโลกติเตียนยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเมรุพระเนี่ยยกตัวอย่างนเไหอพระแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดินไปเนี่ยอันนี้เป็นโลกวัชชาว่างั้นโลกติเตียนหรือว่าพระขับรถเนี่ยอันนี้มียุโยงให้พระขับรถเนี่ยอันนี้เป็นโลกวัชชาแท้จริงมันไม่ใช่คําว่าวัชชาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าติเตียนวัชชาก็าแปลว่าโทษ คำว่ า, าโลกวัชชาเขาแปลว่ามีโทษทางโลกเช่นยังไงพระเนี่ยไปฆ่ามนุษย์ให้ตายองเงีย้ยอันนี้มีโทษทางโลกด้วยแล้วก็เป็นอาบัติประราชิคขาดจากความเป็นพระด้วยอันนี้เป็นทั้งโลกวัชชาเป็นทั้งปัณนนติวัชชาหรือบางอย่างเช่นพระเดินรัสนามยา้าที่เขาห้ามใช่ั้มไม่ผิ ด, ดบางแห่งเขาห้ามเดินรัศ ที่บางแห่งมันเป็นที่ห่วงห้ามเ ง, งี้ยเขาไม่เดินลาดถ้าเดินลาดไปแล้วมันผิดกดผิดระเบียบผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเขาเนี่ยถ้าพระไปเดินลาดอย่างนี้ก็เป็นโลกบัชมีโทษทางโลกคือเขาปรับได้บาง ท, ทีถ้าเดินลาดเขาปรับสองรอบาทอย่างเงี้ยถ้าพระไปเดินเงี้ยมันไม่มีโทษทางพระวิ น, นัยแต่อย่างนี้เขาจะมีโทษทางโลกแต่แต่อย่างพระขับรถนะมันไม่มีไม่มีอะไรพระวินัย <laughs> แต่ว่าเขาไม่ให้ขับเนียจริงๆ แต่ว่าจริงๆเนี่ยคารวะโดยมากไปบอกว่าเออเป็นโลกรวช้าเช่นแม่พระเดี๋ยวนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่เป็นโลกรวช้าแปลกๆว่าโลกตีเตียนถ้าโลกติเตียนเนี่ยผ้าดีๆก็ถูกตีเตียนใช่ไหมทําถูกก็ติเตียนคนคนชั่วก็ติเตียนคนทําถูกคนดีก็ติเตียนคนทําผิดแต่เขาต้องฐานว่ามันเป็นโทษหรือไม่ถ้าคําว่าวัช้าเนี่ยแปลว่าโทษถ้าปันนัปันนติวัช้าเนี่ยก็แปลว่ามีโทษทางพระวินัย เช่นเป็นอบัติปาราชิกสังฆาริเศสนิสกียาปายตีเป็นต้นอันนี้เนี่ยนี่เป็นนิพพานนนท์ไม่ถามว่าอาบัติเล็กน้อยนั้นได้แก่เรื่องนี้พรุทธเจ้าก็ไม่บอกเรายังเป็นอยู่นั่นแหละจักแยกแยะทำอะเหล่าเนี้ยคือทรงสแสดงสุดตันเถรีดกโดยการบอกว่าสติปัฏฐานสมภัสทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชงอริยมรุปเขาสุดตันเถรีดกทั้งเส้นนั้นจับทำกิจของศาสดาของเธอทั้งหลาย ก็หมายความบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นถ้าตอนนี้ภาษาสดาปรินิพานไปแล้วเนี่ยแต่สติปัฏฐานยังอยู่ใช่ไหมสมปัติฐานอิธิบาทอินทร์ศรีพระโพชงอาริยมร์บอกยังอยู่ฉะนั้นเมื่อสติปัฏฐานเป็นต้นยังอยู่สติปัฏฐานนี่แหละจะทํากิจเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้ว ฉะนั้นในขณะที่เราดาเนินปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่มีการเจริญกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาแล้วก็ทำมานุปัสนาอยู่อันนี้เรียกว่ามีพระส า, าสดาเป็นสารนาแล้วใช่ไหมแปลว่าเรามีที่พึ่งเรามีศ า, าสดาเราได้ฟังคําสอนจากพุทธเจ้าแล้วเราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้ก็ไม่ว้าวิไม่งอ๋อเงาใช่ไหมเรามีศ า, าสดาเป็นนําเราอยู่ตลอดเวลาแต่มีปัญหาว่าเราต้องรู้คําสอนด้วย ถ้ารู้คําสอนก็แปลว่าเราจะไปอยู่หน้าที่ไหนก็มีมีศสาสตราเป็นตัวนําเมื่อวานเมื่อเืนก็มีพระที่ท่านไปปฏิบัติอยู่ที่จังหวัดอุบลท่านก็โทรมาท่านบอกว่าท่านอยู่ในป่าว่าดีว่าออกมาข้างนอกท่านบอกว่าอาจารย์ถ้ารักษาร่างกายดีๆแล้วมาเชือกผมนะผมผมเตรียมที่ไว้แล้วก็เลย บอกเออเดี๋ยวเห้รู้ยังไม่รู้เลยว่าจะดีหรือเปล่ามันบอกกันนึ่งแต่ก็หน้าไปดูเขาบอกผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่ทราบเลยว่าข่าวสารก็เป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยก็วัีแล้วถ้ามันรู้แล้วมันทุกข์จริงๆนะถ้ามันรู้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าไปอยู่อย่างนั้นไม่รู้ซะนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยก็วันวันหนึ่งตื่นไปก็ไปถ้าชาวบ้านก็มาถึงวิทยุมีอะไรอยู่ตามป่าตามตรงตามเขา ไปรับอาหารมามาฉันฉันเสร็จก็จเจริญกุศลกันไก็อยู่แบบหลบๆไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายไปในชีวิตหนึ่งในชาตินึงโอ้โหธรรมารู้อย่างนี้มันปัญหาเราแก้ได้ที่ไหนใช่ไหมใช่เราก็แก้ไม่ได้คนที่มีหน้าที่ยังแก้ไม่ได้เลยเจ้ ว, ว่าเดี๋ยวเราเรายิ่งแก้ไม่ได้ในยุคที่คนไม่ฟังกัน ในยุคที่คนสับสนไม่มรู้จะยึดถืออะไรเป็นสารณะบางคนเอาใจตัวข้าวย่งงไม่ใช่ที่จริงตรงนี้ยันเคยบอกมาว่าไอ้สคบอเนี่ยก็มีแะไรเขาบอกว่ากลมควบคุมผู้บริโภคนี่จริงๆน่าจะมาดูแลบ้างนะไอ้การโฆษณาอะไรที่มันเกินจริงไง น, นะมันเกินจริงไง จะเป็นมหาเศรษฐีมหาราชาพลิกพืนแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยไห็นต้องมาดูหน่อยคือคือบางทีสงสารไงก็เห็นมีโยมอยู่คนหนึ่งเขาแคอยากรวยว่าแคอยากรวยแกก็บอกว่าแกมีเงินเดือนแค่เดือนละสนะี่พันแต่ต้องมาเช่าสามพันบาทเงินเดือนทั้งเดือนนี่ถามบอกว่าไอ้แกไม่มีข้อมูลไแกะก็นึกว่าถ้าเช่าไปแล้วมันจะรวย แล้วอะจังหวัดมีวัดนึงชื่อเอ่ยชื่อก็ได้วัดแคร์นี่นะมีโยมคนนี้อยู่ตรงบางบางมา้าเขาเอาไอ้จะดูคามวัดแคร์เนี่ยมาขายทําตั้งเป็นโต๊ะเลยแกก็คล้องเต็มหมดเลยตัวแกนี่ไม่รู้รุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นรุ่นที่กําลังดังๆอยู่นี่เออไม่ใช่ดังแล้วรุ่นที่กําลังติดป้ายกันอยู่นี่นี่อยู่ต่อมาก็ไปชอบผู้หญิงมีโยมมาเล่าให้ฟังผู้หญิงคนนึงขายของก็เลยไปสู่ของกันก็มั่นกันก็นกไว อันนี้พอมั่นกันเบรยดก็อะต่อมาก็อะไรนะเขาบอกจะจะไปแจกการ์ดกันใช่ไหมที่เเป็นไอ้มั่นกันไว้แล้วเนี่ยก็ซ้อนไทยมอใสคไปก็ค้องจะดูคามเตะบางคนขับมอไซ์เนี่ยไปทางวัดบางใหญ่ขับรถไปไปตอนเย็นๆเนี่ยพ่อแม่ไม่กลับสักทีเลยสองทุ่มสามทุ่มร้อนใจเช่นตอนเช้ามีคนมาบอกตายแล้ว ศิษยกรรมเต็มคอไม่เห็นช่วยอะไร้ชนแล้วชนเก่รู้บบเทีย เ, เห็นห ม, มคนก็กรพาพดคนก็ข้าพากัพานก พ, พูดนะแม่ถ้าไม่ตายนี่สงสัยขายหมดวัดดี <c oughs> ใช่มั้มอันนี้เพิ่ตาย <c oughs> นี่เป็นอย่างเงี้ยคนคนไม่รู้ข้อมูลนะมันเยอะคนที่ ที่จริงถามบอกว่าถ้าเอามาเครื่องรึกเครื่องยึดเหนียวแล้วก็เพื่อจะอะไรต่างมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากแต่ว่าบางทีการเราต้องให้ข้อมูลประชาชนมากกว่านี้แต่นี่เขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากการปลุกระดมนอกจากการโฆษณาชวนเชื่อคือไปนั่งฟังมาไงมันนั่งสะหล่ใจอะเออมันไม่ใช่แล้วมันโฆษณาชวนเชื่อชวนจนนี่นี่เขาก็จะเอาจุดนี้มาโจมตี พอจอมตีก็พูดหลบหลบเลี่งเลี่ยกันไปอันนั้นคือเป็นปัญหาถ้าจะโฆษณาเนี่ยก็ก็โฆษณากันบ้างแต่ไม่ควรถ้ามันเกินจริงเนี่ยมันต้องเข้าไปดูเลหน่วย ง, งานของภาครัฐทั้งหลายนต้องไปดูเลยไม่ควรปล่อยใช่ไหมอันนี้ก็ปล่อยกันปล่อยปลาร้าลเลยเหมือนไม่มีคือเหมือนไม่มีคือทําไปโฆษณาเกิ น, เ ก, นเกินความเป็นจริง ก็เห็นจนกันอยู่อย่างเก่าใช่ไหมคล้องเงินขนาดไหนก็ยังจนแล้วมันเดี๋ยวนี้จริงๆที่จริงแหละพระไม่ได้ทํำนะโยมโยมที่มีเงินทองทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาอาศัยวัดอาศัยค้าเนี่ยคระก็หาเงินไม่เป็นเนี่ยใช่ไหมเพราะรัฐก็ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องให้ทุนของวัดก็บอกว่าส่วนหนึ่ง ผมจะถวายให้กับวัดไอ้ส่วนหนึ่งก็ก็ น, นะเขาทำกันอย่างนี้นะทั้นที่เขาโฆษณาออกหนังสือพิมพ์ออกวิทยุออกโทรทัศน์เนี่ยคือเจ้าของช่องเจ้าของโทรทัศน์เลยมาเพราะนั้นช่องก้าวออกมามาที่วัดเขามาทำเองลงทุนเองศเบ็ดเสร็จแลแอบกระซิบถามก็าลงทุนไปเท่าไหร่ไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านที่ลงทุน ถามะกากะว่าจะได้เท่าไหร่ก็ประมาณร้อยล้านเงินยังไคุณยงคุณเนปังก็เป็นยังไงดีก็สร้างบ้านขายนั่น ที่นี่หารไม่น่าจะมาในรูปแบบนี้นะน่าจะมาในรูปแบบอื่นครับเขว่ากันไปถ้าเราไปพูดอย่างงี้คนที่เขาเชื่อนี่ไม่ได้เนะก็ปล่อยไปก็สรุปแล้วก็คือว่าถามว่าเราเชื่อไหมถ้าวญดุรามีจริงมีวันก่อนเนี่ยมีโยมคนทรมาเขาบอกเขาเป็นทุกข์มากมีคนแนะนําเขาให้ไปขอหลวงพ่อโซทรไปขอว่าให้หลวงพ่อโซทรช่วย ท่านอาจารย์เห็นว่ายัางไงฉันก็เลยพูดคำข่อมไปบอกว่าเออลองไปนั่งดูว่าคนไปขอหลวงพ่อโสธรในวันหนึ่งเยอะไหมเป็ถ้าลองคิดดูเถอะว่าคนไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อโสธรในวันหนึ่งตั้งเป็นหมื่นหมืนลายให้ลองไปคิดเถอะนะได้ไหมหลวงพ่อโสธร ท, ท่านก็นมื่นแล้วลูกไม่รู้จะช่วยกันต่อ คือทุกคนไปขอเนี่ยชาวพุทธมันการศึกษามันมันพลาดผิดพลาดอธิษฐานเนี่ยไปแปลว่าขอแค่จริงอธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจที่จะทําให้ได้อย่างที่ตนเองตั้งใจไว้เพืออธิษฐานเนี่ยแปลว่าอธิษฐานแล้วต้องทําเช่นขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ทําเพื่อจะเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางในการบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เขาเรียกว่าอธิษฐานยิด ทุกวันเนี่ยนิมนต์พามาที่ฐานจิตปุกเสกไม่จริงรุ่นเก่าๆเขาทํากันไว้ดีก็ไม่ได้จําหน่ายเลยหรอกเ<ๆ>ขาทํากันไว้ดีเลยหลุ่นสมเด็จพุทธจารย์โตอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเนี่ยท่านทําดีมากท่านไม่ได้ทําจําหน่ายท่านไม่ได้ทำเป็นการค้าถามว่าวัดก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่าทําเป็นการค้าที่จะทําทําแจกไว้เหอะได้เงี้นเนี่ยเป็นการประกาศศาสนาประกาศอะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าเป็นการค้าเป็นราคาเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาก็เหมือนซีดีเหมือนม้วนเทปเนี่เหมือนกันเขาไม่ได้ทำขายถ้าขายแล้วมันไม่ใช่คำสอนแล้วมันต้องทำให้เปล่าใช่ไหมมันต้องให้บางคนบอกว่าถ้าให้เปล่าไม่รู้คุณค่ามันไม่ยิงหรอกคนก็มีศรัทธาเขาอยากจะฟังเขาจะอะไรต่างๆนี่แต่ถ้าไปขายมาแล้วเนี่ยมันเป็น มันเป็นผลกำไรเป็นนั่นขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่มีกำลังก็ไม่ต้องไปทำมันต้องอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากทำเป็นราคาทำเป็นของขายขึ้นมาแล้ว เ, เดีนี้เอาลเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแรกไปแรกไปตีค่าเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแล้วนี่เป็นนี้ก็ทีนี้มันก็เลยเข้าใจผิดกันไปหมดเลยเนี้ อันหนึ่งเรายังเป็นอยู่นี้แหละได้จำแนกทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าจำแนกอะไรจำแนกขันห้าอายตันนาสิบสองธาตุสิบแปดสัจจ์สี่เป็นต้นแล้วทรงแสดงอภิธรรมปิดกก็คือแสดงอะไรแสดงสมันตปัฏฐานยี่สิบสี่คือแสดงเหตุปัจจะโยระมณปัจจโยเป็นต้นแล้วการแสดงมหาปฏฐานอันตรัตในอภิธรรมปิดกทั้งสิ้นจัดทา ก, กิจแห่งาศาสดาของเธอทั้งหลายให้สําเร็จ ก็หมายความบอกว่าถ้าคนศึกษาพระสูตรอย่างที่เรากําลังศึกษากันนี้ก็เรียกศึกษาพระสูตก็ศึกษาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีพระโาช่อชงองมัชใช่ไหมอันนั้นแหละสติปัฏฐานเป็นต้นอ น, นั้นแหละจะทํากิจศาสดาจะทํากิจเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไินิพพานไปคนที่ศึกษาพระวิธรรมก็จะเรียนเรื่องขันห้าเรื่องอายตนะสิบสองเรื่องธาตุสิบแปดเรื่องสัจจะสี เรื่องปฏิจจสมุปบาทสิบสองเรื่องอนนเรื่องสมันตะปฐารนปฐานยี่สิบสี่คือเหตุปุปาโยเป็นต้นเหล่านี้ขันห้าอายตนะสิบสองเป็นต้นเหล่านั้นที่พระบรมศาสดาจำแนกแยกแยะสั่งสอนไว้นั้นจับเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าที่พระบรมศาสดาเสร็จดับขันร่่งละไปแล้ว มีไหมว่าในคำสอนแปดห0ื่นสี่พันมาทาขันเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้า บ, บอกไว้เนะ่เธอทั้งหลายจงปั้นรูปเหรยรูปหล่อของพุทธาคตีนี่หรอกแล้วก็แจกออกไปให้ทั่วแผ่นดินเไม่มีไม่มีคำสอนตรงเนี้ยเพียงแต่บอกให้ประกาศคำสอนเนี่ยประกาศเอาไว้ทีนี้พระพระต้องมันง่นคงใช่ไหมพระอย่าไปตามโยมคือโยมเนี่ย คืออยากจะได้ของชำ่ำรวยของอะไรพวกนี้พระต้องใจแข็งกว่าถ้าใจอ่อนไปตามเอกราบเนี่ยนะกับเสียงสารเสลดเยินยอทั้งหลายพระก็ทิ้งหลักการทิ้งคำสอนก็ตามยอมแต่ที่ตามยอมเอาเลยจีแต่เนี้ยเอาพิ ธ, ธีพามกับพุทธมาเข้าอยู่ในปนกันเลยแยกไม่ออกใช่ไหแยกไม่ออกเลยตอนเนี้ยแยกพุทธแยกพามไม่ออกเลยพระตั้งองค์การเองเลยตต่เนี้ย มีขึ้นโอมมีการเชิญเทพพยายดาลาักภาพเชิญเองนะใช้หอกใช้ธนูใช้ดาบยิงขึ้นฟ้าทำทีทำท่าเท้าจ้ตัวคามเข้าสิงเขาอเดีวนี้ <c oughs> มีการโอยเต้นไม่เข้าท่าเลยดวนี้ถ้าอย่างนี้ผิดพลาดแล้วผิดพลาดแล้วที่จริง ถ, ถ้าเกิดมีเทวดาหรือมีผีมีอะไรเข้าสิงเนี่ยต้องจัดการไล่ อันนี้มาเข้าสิงต่อหน้าพระนี่แม่พระอ่นอัดฟังใช่ไหมเขาต้องไล่ผีอันนี้ก็มาเข้าสิงต่อหน้าพระแต่อยู่พระนั่งเฉยกันหมดเลยเออมันมันมีบทหนึ่งนีเขาเรียกว่าบทสวดปบพาชนียกรรมวาจาบทขับไล่อมนุ์ ขับไล่พวกเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายออกจากเคหสถานบ้านช่องพระก็ใช้พระสวดกันที่จริงมันต้องทําพิธีแบบนี้ถ้าใครกําลังเข้าเข้าเข้าเคยทําดูนะขนาดมีอะไรเข้าสิงอยู่นะเนี่ยพอพระสวดบทนี้กันนี่เนะี่ยร้องออกทันทีเลยโอ้เป็นเรื่องแปลกมากบทนี้อย่างเช่นกําลังมีคนมีผีเข้าวัาดี มีเทวดามาแฝงมาอะไรถ้าสวดบทนี้ละโอ้ยอยู่ไม่ไหวแล้วต้องใช้บทนี้สวดอะไร้ด้วยอันหนึ่งพุทธพจน์ทั้งหมดนะที่เราพารสิทธ์แล้วกล่าวแล้วตั้งแต่ตัททะรู้จนปรินิพานมีมากประเพศอันประกอบได้พิฎกสามนิกายห้าองค้าแล้วก็ธรรมขันหนึ่งคือแปด0มืนสี่พันพระธรรมขัน อันนี้จะเป็นโอวา ส, สั่งสอนเธอทั้งหลายพุทธเจ้าก็บอกบอกว่าปิดกสามคือพระวินัยนปิดกพระสุตตันตปิดกและอภิธรรมปิดกนิกายห้าก็คือทีฆนิกายมชิมนิกายอังคุตรานิกายสังยุตตนิกายแล้วก็คุถากานิกายนี่คือนิกายห้าองค์เก้าก็คือสุตตะเคยะเวยาการณะคาถาวุทานอิติวุตกะอภุธรรมเวทานะชาตกาอันนี้คือองค์เก้า ส่วนหนึ่งก็คือว่าแปดหมืนสี่ทธรรมะท่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พี่โดศรัมนิกายห้าองค์เก้าแล้วก็พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยมีอะไรเป็นอนิสงส์ก็คือมีวิมุตต์คือความหลุดพ้นนั่นเองเป็นอนิสงส์อันนี้แหละธรรมวินัยเหล่านี้ยเป็นโอวาทสั่งสอนเธอทั้งหลายทรงแสดงอนาคตในการร้องเรียกกันของภิกษุทั้งหลายบอกว่านาเมีนาวาโคตโคเตนาวาเป็นต้นบอกว่า นวกะพึงเรียกโดยชื่ออย่างนี้ว่าติดสระนาคะหรือเรียกโดยโคตว่ากัศปะโคตหรือว่าโดยดวาเท่าอาวุโสอาวุโสติดสระอาวุโสกัศปะเป็นตัวอะไเนี่ยคือให้ยกตัวอย่างเช่นพระเนี่ยก็จะมีฉายาใช่ไหมยก็จะมีฉายาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพระบางองค์ก็ฉายาว่าเตชวะโลอรเงี้ยหรือว่าจันทะ จันทสาโรอย่างเงี้ยถ้าเขาเรียกชื่อกันก็ว่าเ อ, อาเอาโโซเตชาวโรอัหรืออย่างชื่อขกอ็อาจจะเอาเอาโโปรักโมงเนี้ยหมายความว่าถ้าอย่างนี้แปลว่าผู้ใหญ่เขาเรียกผู้น้อยเขาจะเรียกอย่างนี้ถ้าเราน้อยกว่าเขาแต่ถ้าหากว่า เ, เขาผู้น้อยเรียกคนที่อายุเป็นสามากกว่าก็จะใช้คําว่าพันเตใช่ว่าพันเตติดชาวโร พันเตประกมงเนี่ยหรือว่าอาญาสมาก็ได้เขาเรียกกันในลักษณะคือพันแต่ทุกวันนี้ไม่เรียกไม่เรียกเรียกชื่อกันธรรมดาแต่ถ้าหากในหมู่ของสงฆ์ที่เขาศึกษาคําสอนกันจริงๆเขาก็จะเรียกกันตามเรียกกันอาวุโสเรียกกันพันเตอาวุโสอะไรก็ว่าไปอาวุโสมังคโรเนี่ย อุโซหรือว่าพันเตมังกาโลนี่เรียกส่วนคําว่าสมูหะณตุได้แก่เมื่อจํานงอยู่จงถอนหากปราถนาจะถอนเสียถามว่าเพราะเหตุไรไม่ทรงตรัสลงไปว่าจงถอนเสียตอบว่าเพราะทรงเห็นกําลังของพระมหากระสบจึงอยู่พระศาสดาเห็นว่าเมื่อตรัสว่าจงถอนเสียพระมหากระสนจักไม่ถอนในเวลาทําสังเกนาเพราะฉะนั้นจึงตรัสอย่างนั้นส่วนอาบัติเล็กๆ น, น้อย และพระมาทันพึงศึกษาจากอัตถกถาในสมันตะภาษาธิกาคือพระพุทธเจ้าตรัสคํานี้เนี่ยพระเห็นอุปติสัยของพระมาหากรสบอกว่าในอนาคตเนี่ยท่านพระมาหากัสปากท่านจักมาทําปฐมสังขายนารวบรอะร้อยกองพระทวินยัยแล้วท่านพระมาหากรสเนี่ยจักไม่จักไม่ถอนสิกขาบทนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยหลังลําดับนั้นนะนะ พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ภิกษุทั้งสงฆ์ทั้งหลายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรัดเป็นบาลีที่บอกว่าหันทะธานิพิกขเวอามันตายามิโววายธรรมมาสังขาราอัปมาเดนาสัมปาเทถาอยังตถาคตสาปชิมาวาจาก็ปแปล ว, ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นปัจฉิมปัจฉิมวาจาของพระตถาคต นั้นในปัจฉิมวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวาจาครั้งสุดท้ายนะที่บอกว่าหันทัฏฐานิพิฆเวอามันเยามิโววยะธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเทถะอยังตถาคตตัสปัจฉิมวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจง ทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นวาจารในครั้งสุดท้ายของตถาคตเมื่อพระบรมสัสสดาตรัสนี้แล้วก็ไม่ได้ตรัสอีกต่อไปพระวาจานี้เรียกว่าปัจฉิมวาจา์ของพระทหานเดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้พระโอวาททั้งหมดที่ประทานไว้แก่สับโลกตลอดสี่สิบห้าพรรษารวมลงในความไม่ประมาทนีนะลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้าพอตรัสปัดชิมวาจาเบีเศตลำดับนั้นเน่ยพระผู้มีพระพเจ้าก็ไม่พูดเลยก็เข้าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งออกจากปฐมฌานแล้วก็กลับเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานก็เข้าตติยฌานออกจาก ต, ตัตยฌานก็เข้าจะตุทฌานคือฌานที่สี่ออกจากจะตุทฌานก็เข้า อากาศานัญญายาตนาชานคืออรูปฌานที่หนึ่งออกจากอากาศสาัญญายาตนะก็เข้าวิญญาณาญาตนาสมาบัติออกจากอากินจัญวิญญาณาญาตนาสมาบัติก็เข้าอากินจัญญายาตนาสมาบัติออกจากอากินจัญญายาตนาสมาบัติก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายาตนาสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญาญาตนาสมาบัติแล้วก็เข้าสัญญาเวทยตานิโรธ เข้านิโรธาสมาบัติทีนี้ลำดับนั้นน่ะท่านพระอนุนนท์ได้ถามพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วหรือเพราะไม่รู้แล้วใช่งไหมว่าตอนนั้นพระเจ้าปรินิพานหรื อ, อยังท่านพระอนุรุทธะก็กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่สเสด็จดับขันธปรินิพานตอนนี้กําลังเข้าสัญญาวเวทายตานิโรธ เออทาไมพระอนุรุธาจึงรู้พอพระอนุรุธามีอภินญางั้นกันตามดูพระอนุรุธาก็ตามดูขนาดนั้นนะ่ะนะพระผู้มีพระภาคก็ออกจากสัญญาเวทยตานิโรธแล้วแล้วก็เข้าเนวะสัญญาสัญญ า, นะญญายาตนะออกจากเนวะสัญญาสัญญ า, นะญญายาตนะนี่ถอยหลังถอยหลัง เข้าอากินจัญญายาตนะออกจากอากินจัญญายาตนะสมาบัติก็เข้าวิญญาณัญญายาตนะออกจากวิญญาณาัญญายาตนะสมาบัติก็เข้าอากาส า, านัญญายาตนะออกจากอากาสานัญญายาตนะสมาบัติก็เข้าเจตุตชฌานคือชันที่สี่ออกจา ก, กาเจตุตชฌานเข้าตัติยะฌานออกจากตัติยะฌานก็เข้าทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานก็เข้าปฐมฌานอยู่ในชฌานตลอดนะทีนี้ออกจากปฐมฌานเข้ า, ญญ า, าทุติยะฌานใหม่ ออกจากทุติยชานก็เข้าตตาติยชานออกจากตตาติยชานก็เข้าจตุทชานเมื่อพระผู้พุทธภาคจเจ้าเข้าอยู่ในจตุทชานพอออกจากจตุทชานแล้วเนี่ยก็เสด็จดับขันธ บ, บริณิพานในลำดับแห่งการพิจารณาองค์จุองค์ของจตุทชานนั้นเมื่อพระผู้ทธมีพระปริณิพานแล้วพร้อมกันกับบริพานได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เกิดขนพองสยองก้าวหน้าสะพึงกลัวกองทิพย์ก็บรือลั่นนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็จะกล่าวลำดับไอของพรมที่มามากล่าวสังเวคธรรมก่อน เมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วท้าวสามบดีพรมได้กล่าวคาถาว่าตอนนี้ท้าวสามบดีพรมลงมาใช่ไหมมาเฝ้าอยู่แล้วก็เลยกล่าวคาถาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องทอดทิ้งร่างไว้ในโลกแต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จดับขันธ์ได้ปริ น, นิพพานมีกรรมกล่าวสาวังเวกษธรรม ที่จริงในใจความตรงนี้เดี๋ยวต้องไปขยายเยอะเนี่ยแต่ว่ากล่าวเป็นคาถาก็าไว้ว่าเนี่ยกล่าวลักษณะอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานลำดับนั้นเท้าสกกะจอมเทพได้ตรัสคาถานี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแเราได้ฟังบ่อยมากกระดาษเนี่ยย่อมเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาความเกิดขึ้นและดับไปเนี่ย การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขก็คืออนิจจาวสัสสงขาลาเป็นต้น mm hmm. เมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วเนี่ยท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถ า, าบอกว่าลมอัศสาสะปัสสาสะ ข, ของพระมหาหมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวปารบสัมติสันติทมกาละไม่ได้มีแล้วพระองค์มีพระทัยไม่ ห, หัถูทรงอดกั้นเวทนาได้แล้ว ความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นเมื่อพระผูมิเมีภาคปริณิพานแล้วท่านพระอนุนได้กล่าวคาถาว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงปริณิพานแล้วในครั้งนั้นได้เกิดอัศจรรย์น่าสะพึงกลัวและเกิดความขนพรองสยองแล้วท่านเหล่านั้นก็ต่างมากล่าวภาสิทเมื่อพระผู้มีพระภาคปริณิพานนั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่ยังมีราคะในใจอย่างนี้น บางพวกก็ประคองแขนทั้งสองข้างคล่มควรล้มกลิ้งเปลือกไปมาเหมือนเท้าขาับรำพันว่าพระผู้มีภาคปรินิพพานเร็วนักพระสุคตปรินิพพานเร็วนักพระองค์ผู้มีจักสูรในโลกอันตรทานเร็วนักส่วนภิกษุผู้มีราคะปราศจากคือไม่มีราคะแล้วเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนข้อนั้นจะหาได้ในสังขาร น, นี้แต่ที่ไหนบอกว่าจะหาสังขารที่เที่ยงหาไม่มีเลย พระนุรุทธะและพระอนนท์ก็แสดงธรรมนี่นะปลอบโยนครั้งนั้นพระนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอย่าเศร้าโศกร่าไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพาความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลนั้นเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีข้อนั้นจะหาได้ในที่ในที่สิ่งของ และบุคคลนั้นเป็นที่รักที่ชอบใจนี้แต่ที่ไหนที่จะไม่ดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยมีความทำลายไปธรมธรรมดาเนี่ยมีความดับไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งเหล่านั้นอย่าทำลายไปเลยดังเนี้ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้พวกเทวดาก็พากันยกโทษอยู่ท่านพระน น, นถามว่าท่านอนุรุต พวกเทวดาทําไว้ในใจเป็นอย่างไรถามเนะี่ยเพราะไม่เห็นเนี่ยอนุรุทธะก็บอกว่าอา น, อนุนเทวดาบางพวกสําคัญว่าอากาศเป็นพื้นแผ่นดินสยายผมประคองแขนล่าให้ข่ขำกวนล้มกลิ้งเกลือนไปมาเหมือนเท้าขาดรําพันว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเป็นต้นเรานเนี้ยนะพระพุทธเจ้อาอนัตตาทานไปเสียแล้วเทวดาบางพวกก็สําคัญพื้นดินเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนล่ำขำกวนอยู่กลุ่ลมกลิ้งล้มกลิ้งเกลือนไปมา เหมือนเท้าขาดลำพันว่าผู้เจ้าบรินิพันธ์พระผู้มีพระจกักษุในโลกอันตรทานจะเร็วนาคส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอดกลัน้นแล้วก็ทำไว้ในใจบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโน้ข้อนั้นจะหาได้ในสังขารแต่ที่ไหน ก็พิจรารณาสังขารทุกสังขาร น, นะว่าเออสังขารทุกสังขารเนี่ยไม่มีสังขารใดเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยจริงอย่างที่พระผู้มีอภิภักเจ้าที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้พระบรมศาสดาตรัสไว้หมดแล้วใช่ไหมว่าผู้สังขารทุกสังขารไม่มีเที่ยงเลยฉะนั้นพระนรทธานั้นยังราตีที่เหลือให้ร่วงเลยไปด้วยธรรมิกาถา ท่านพระนุทัตสั่งท่านพระนนท์ว่าไปเถิดอนนท์ท่านจงไปเมืองกุศินาระบอกข่าวแก่พวกมัลกษัตริย์ว่าดูก่อนว่าสิตาทั้งหลายพระพุทธเจ้าประนิพานแล้วขอพวกท่านจงทราบการนั้นควรในบัดนี้เถิดท่านพระนนท์รับคําท่านพระนุทัตแล้วเวลาเช้าก็นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปเมืองกุศินาระต่อไปดูภาคอธิกถาอธิกถาใช้ท่านว่าอั ป, ปมาเทนสัมปาเทถะที่พระพุทธเจ้าตรัส เป็นตัดฉิมวาจาวะจงยางติดทั้งปวงให้สําเร็จด้วยความไม่ปราศจากสติก็แปลว่าพระผู้มีพระภาคทรงบันทมที่เตียงปฏิญิพานประทานโอวาทประทานมานิตสี่สิบห้าพันสารวมลงในความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้นอันนั้นเป็นปัดฉิมมวาจานะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถาบอกท่านทั้งหลายจงยางความไม่ประมาทได้ถึงพรก็แปลว่า จงยังกิจทั้งปวงให้สําเร็จด้วยความไม่ปราศจากสติเออถ้าบอกว่าแล้วกลัวโดยกิจโดยทั่วๆไปนเนี่ยนะเช่นเราทํากิจทั้งหลายเนี่ยพระ อ, องค์ตอนบอกว่าเอออย่าให้สติคืออย่าอยู่ปราศจากสติไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยจะกระพริบต า, าปากนี่นะ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 สกายานุปัสนาสติปัสสถานก็นคือสติที่เป็นไปในกายเนี่ยเป็นไปในกายกายมีอยู่สิบสีบ่แบบเป็นไปในอาณาปะเป็นไปในลมหายใจเข้าออกสติเป็นไปในเอียบทใหญ่สี่สติเป็นไปในเอียบทย่อยสติเป็นไปในปฏิกูลมนสิการแบบธาตุมนสิการแบบเป็นต้นแล้วก็สติเป็นไปในป่าชาด้วยครับลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติ ถ้ากลุ่มที่เจริญเวทนานุปัสสนาสติปฐานก็คือกลุ่มเวทนาขันก็คือว่าก็ตามระลึกเวทนาทั้งที่เป็นภายในภายนอกอยาบละเอียดเร็วปลาหนีไกลและใกลนะ้นั้นก็อยู่โดยไม่ปราศจากสติถ้ากลุ่มเจริญจิตตานุปัสสนาก็คือกลุ่มวิญญาณขันก็คือเอาสตินั่นแหละว่าจิตคิดอะไรก็ให้มีสติเป็นใบกระจิตนั้นด้วยจิตคิดถึงรูปารมก็ให้มีสติเป็นใบกระรูปารอมจิตคิดถึงเสียงก็ให้สติเป็นใบกระเสียงเนี่ยนะ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติส่วนในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือว่าสติที่เป็นไปในการพิจารณาขันห้าบ้างนิวรห้าโพชงเป็นต้นเหล่านั้นก็คือว่ามีสติกำกับ น, นั่นเขาเรียกว่าสำเร็จด้วยความไม่ปราศจากสติกิจทั้งปวงเนี่ยคือยังความไม่ประมาทที่จริงกิจของพระเนี่ยกิจมีเท่าไหร่กิจสิบหกกิจที่บอกว่า กิจในการกําหนดรู้ทุกบอกทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเนี่ยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็มาร์กเป็นกิจที่ควรเจริญเนี่ยนะส่วนบดว่าปรินิพุโตพันเตก็แปลว่าอนนท์เห็นว่าผู้มีประภาสเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติไม่มีลมอสซาสะปัสซาสัคือกลุ่มคนที่เข้านิโรธาสมาบัติเนี่ยไม่มีลมหายใจเข้า ไม่มีตั้งแต่จะตุะ้ดท้าช้าแล้วก็เลยถามว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือพระนรุธะตอบว่ายังผู้มีอายุยังอาวุโสอัู่พระเถระทราบเรื่องเพราะเข้าสมาบัตนนินั้นๆพร้อมกับพระศาสดาจึงรู้ว่าพระพุทธองค์ออกจากเนวสัญญาณนะสัญญายาตนะแล้วก็ดําเนินไปบัตเนี้ยเข้านิโรธาสมาบัตชื่อว่ากระทํากาละขณะอยู่ในนิโรธาสมาบัตินั้นไม่มี เขาบอกว่าในขณะที่เข้านิโรธาสมาบัติเนี่ยจะไปจะไปเข้าปรินิพานไม่ได้เพราะตอนนั้นเน่ะยังอยู่ในสมาบัติครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคก็ออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธก็เข้าเนวะสัญญานายะตนะคือเข้าอรูปฌานที่สูงสุดออกจากเนวะสัญญานายะตนะก็เข้าอากินัญญายะตนะออกจากอากินัญญายะตนะก็เข้าวิญญาณัญญายะตนะ ออกจากวิญญาณัญญาเยตนะก็เข้าอากาสานัญญาเยตนะออกจากอากาสานัญญาเยตนะก็เข้าเจตุทะชานออกจากเจตุทะชานก็เข้าตัทยาชานออกจากตัิยาชานเข้าทุติยาชานออกจากทุติยาชานก็เข้าปฐมวชานฉะนั้นในขณะที่เข้าปฐมวชานก็มีฐานะยี่บสี่ก็หมายความมีอะไรเป็นอารมณ์ไม่ใช่เข้าปฐมวชามีอารมณ์เดียวนะ เข้าปฐมฌานที่มีดินเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานที่มีน้ําเป็นอารมณ์เนี่ยเข้าธิราฌานอย่างเงี้ยเข้าปฐมฌานม yeah. ีดินเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานมีน้ําเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานมีไฟเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานมีลมเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานมีสีแดงมีสีขาวมีสีเหลืองเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นอารมณ์เป็นตามลําดับแล้วเราเข้าปฐมฌานที่มีอสุภะมีศพที่ตายแล้ววันสองวันเป็นต้นเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานที่มีเมตตาเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานที่มีกรุณา ข้าวปฐมฌานที่เป็นมุทิตาเป็นต้นเหล่านี้เขาเรียกว่าเข้าปฐมฌานโดยฐานะยี่สิบส่หรือว่าเข้าปฐมฌานที่มีอาณาปานสติเป็นต้นเหล่านี้เป็นอารมณ์เป็นไปนตามลำดับแล้วก็เข้าทุติยฌานก็มีฐานะสิบสาพอเข้าทุติยฌานเนี่ยอสุภาสสิบก็ทิ้งไปกายคตาสติก็ทิ้งไปก็เหลือแต่กสิสิทิอาณาปานะแล้วก็ เมตตาการุณาแล้วก็มุทิตาก็เป็นฐานาสิบสามเนี่ย น, นะแล้วก็เข้าตาเทียชาญก็เหมือนกันเพราะเข้าเจตุทะชานนี่ก็กรรมฐานก็มีมาเอาอารมณ์กรรมฐานเอาอ่าก็เอาเมตตากรุณามุทิตาไปก็เข้าอุเบกขาแล้วก็เข้าปฐมชาญก็มีพวกอสุภสิบแล้วก็กายะคาตาสติกสินแปด เมตตากรุณามุทิต า, โโ า, ตาอาณาปานาปริเฉอาการเป็นต้นแล้วก็เว้นอาการสามสิบสองอสุภัสสิเข้าทุติยฌานแล้วก็เข้าฌานไปตามลําดับจนลักษณะอย่างนี้พระ อ, องค์เข้าฌานออกจากฌานทำไมพระพุทธเจ้าคล่องแคล่วในการเข้าฌานในลักษณะคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมอยู่แล้วนะนั้นจะมันเหมือนอาหารเนะี่ยเหมือนคนที่มีเงินเนี่ยจะกินอาหารอะไรก็ได้ ซื้ออาหารอะไรมากินก็ได้พราะพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณธรรมมากมายเหลือเกินจะเข้าอยู่ในฌานไหนก็ได้พระผู้มียภาคเจ้าเข้าจตุตฌานในลําดับเสด็จออกแล้วก็เสด็จปรินิพา น, นในลําดับที่สองก็คือในลําดับแห่งฌานในลําดับแห่งปัจเจเวกันนะก็คืออย่างนี้ที่จริงถ้าจริงถ้าดูในลําดับขององค์ฌานเนี่ ย, เ, ยเขาจะเขียนก็นไว้ว่าเวลาเข้าในฌานที่สี่ก็จะมีว่า ผวังผวางก็จะได้รนะผวังคู่เบเชทาแล้วก็มนโนทวารละชนะปริแล้วก็อุปจาระอนุลมโคตรภูแล้วก็ฌานก็คือเจตุธาฌานนะอันนี้เป็นกิริยาจิตนะพอเข้าเจตุธาฌานได้ระยะหนึ่งนะพอออกจากเจตุธาฌานก็ออกพิจารณาปัจเวกปัจเวกขณะวิถีลำดับนั้นมีผวางเกิดหนดึ่งถึงสองขณะแล้วจุติจิตก็เกิดนั้นเขาเรียกปรินิพานจิตเกิด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 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาจะเกิดก็เก um, ิดด้วยการห้า ah รูปประขันอย่างเดียวเกิดด้วยการหน้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างละห้าก็รวมเป็นยี่สิบห้าจะดับก็ต้องเหตุปัจจัยยี่สิบห้าอย่างนี่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับนี่เป็นอย่างนี้นั่นฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างรูปประขันเนี่ยอาวิชาเกิดรูปประขันก็เกิดตั้นหาเกิดรูปประขันก็เกิดใช่ไหม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 ฉะนั้นในปัจฉิมวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าหันตธามีพิกเวยียมัญญามีโวยะตรรมาสังขาราประมาเดนะสัมฟาเดธะอายังตถาขตัดซาปัจฉิมวาจาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี้เป็นวาจาในครั้งสุดท้ายของตถาคตคือสังขารเนี่ยพระพูดถึงสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ย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 แล้วกตรัสต่อไปบอกว่าเนี่ยแม้แต่สังขารของตถาคตและสาวกของตถาคตในบัดนี้ก็เหมือนกันในที่สุดจริงๆก็จะต้องมีการเสื่อมไปดับไปแตกทําลายไปเป็นธรรมดาซึ่งในบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ประจับแกวามรู้สึกของเราใช่ไหมว่าสังขารของพระพุทธเจ้าของพระอนนท์ของพระสารีบุตรของพระโมคคัลลานะของพระมหากรตศพเป็นต้นและของพระอริยาสาวกทั้งหลายเหล่านั้น่ะสังขารเหล่านั้นไม่มีเหลืออยู่เลยแม้แต่สักสังขารเดียว และสังขารเหล่าใดที่จัะมีมาในอนาคตข้างหน้าสังขารเหล่านั้นก็จะต้องมีการแตกดับไปเป็นธรรมดานี่มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ม, มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเสื่อมแบบนี้แปลว่าแต่มันมีนะ ม, มันไม่เคยมีมันก็กลับมามีขึ้นเมื่อมันได้เหตุเป็นได้ปจัจจัยมันก็มีขึ้น แต่ถ้ามันหมดเหตุหมดหมดปัจจัยมันก็จะเสื่อมไปตามการเวลาของมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกจงทำความไม่ประมาทในถึงพร้อมก็แปลว่าจงทำกิจทั้งปวงโดยอย่าปราศจากสติให้อยู่โดยไม่ปราศจากสติให้มีสติเป็นไปกับการทำกิจทั้งปวงนะเพราะงั้นอย่ามัวประมาทนะอย่างนี้นะคื อ, อถ้ามาพิจารณาปัจฉิมโอว่าตรงนี้ เป็นการสรุปคำสอนที่ชัดเจนที่สุดที่รวมลงในความไม่ประมาทถ้าเรามีปัจฉิมวาจาเป็นเครื่องเตือนระลึกเตือนใจอยู่ตลอดเวลานี่นะที่บอกว่าหรืออีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแม้แต่พระตรราคตผู้เป็นพระบรมศาสดาหาบุคคลเปรียบไม่ได้ยังต้องเสด็จดับขันธปรินิพานอันนี้คือเท้าสามบดีพรมท้าสามบดีพรมก็บอกว่า คาว่าสังขารของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยพระพุทธเจ้ามีอะไรมีภารยานคือทศภารยานสิบมีฐานาฐานุญาตเป็นต้นอะไรเนี่ยแต่สังขารของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อันมีการเกิดและมีความดับเป็นสภาวะเส่ินคาว่าเตสังวูปะสโมเก็แปลว่าการาระงับสังขารเหล่านั้นถามว่า การระงับสังขารเหล่านั้นได้อะไรที่จะสามารถระงับสังขารเหล่านั้นได้พระนิพพานไงฉะนั้นถ้าหากตราบใดยังไม่ปรินิพพานนะยังไม่นิพพานยังไม่ปรินิพพานจักระงับสังขารไม่ได้เหมือนโรคร้ายเนี่นะโรคร้ายทุกชนิดเนี่ยเช่นไม่ว่าโรคเอโรคมะเร็งโรคไตโรคตรบโรคร้ายต่างๆเหล่าเนี้ยมันระงับไม่ได้ถ้าระงับไม่ได้ถ้าจะระงับให้ได้จริงๆก็คือว่า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 การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นศพคําว่าสงบระงับในที่นั้นไม่ใช่สงบระงับแบบแต่ทางค่าทหารเนียถ้าแต่ทางค่างหารม่นสงบระงับได้ชั่วครั้งชั่วคราวหรือวิขำพนะแปลว่าข่มเขาไว้เช่นว่าทุกขเวทนาบางอย่างเนี่ยเราขม่มไวได้แค่ชั่วระยะหนึ่งเช่นว่าถ้าไปเกิดเป็นพรมเนี่ยนะเมื่อคืนนี้ก็ดูในสูตรหนึ่งเท้าปากาพรม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 ทีนี้พระพุทธเจ้าโอ้เนี่ยพรมนี้เกิดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็อันตรธานจากโลกมนุษย์เดินไปอุบัติเกิดขึ้นพอไปถึงก็ถามหาพรมก็บอกโอ้นานักหนาที่ไม่ได้เจอท่านบูญนี้แหละทุกสนทนาไปสนทนามาพระพุทธเจ้าก็บอกเออท่านมีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมพรมก็รับรองว่าตนเองเป็นอย่างนั้นยิงย่งๆไม่ได้คิดอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความคิดอย่างเนี้เป็นความคิดที่ผิด ไปๆมาๆก็เลยบอกว่าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยสามารถจะหายไปตรงไหนก็ได้ว่างั้นนะจะเนรมิตอะไรต่างๆก็ได้พระเจ้าก็บอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองออัดเถ้าตาถาคตไม่ให้ท่านหายไปนะท่านก็หายไปไม่ได้ท่านบอกอ๋อจะลองดูพระพุทธเจ้าบอกเออทั้งนั้นทาน่านก็นั่งอยู่ตรงนี้พร้อมก็เนรมิตยังไงก็ไม่หายไปโอ้โ ห, โ ห, หเหนื่อยเลยตรเนี้ย นะครับพระพุทธเจ้ากับเราที่สามารถจะหายไปได้พรหมก็ท้าบอกว่าไม่ได้หรอกท่านก็หายไปไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าหายไปได้ยินแต่เสียงในส่วนจริงยอมแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านระลึกได้เพียงแค่แค่ประมาณพันจักรวาลแค่นั้นนะไม่ได้แสนโกดจักรวาลนะท่านระลึกได้เน่ย ในสัตว์โลกในมือในประมาณแสงสว่างของท่านรัศมีของท่านเนี่ยอยู่ประมาณพันจักรวาลเท่านั้นเองในมืพอพูดถึงจักรวาล น, นี่นพระพระที่ท่านมาจากมาจา ก, มาจากไออเมริกาเมื่อวานก่อนท่านก็มาเล่าให้ฟังท่านไปรู้จักกับชาวต่างประเทศคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมด้วยอนะไรนี้คนๆ น, นี้เขาทำงานอยู่ที่องในองค์การนาซาของสหรัฐ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 เคยไปถ่ายยานของของเขาได้แล้วก็เคยใช้ยานเนี่ยวิ่งตามกันเขาหายวับไปงั้นเดี๋ยวก็เขาไวกว่าเราเีหลายสิบเท่าเลยลก็เลยเกิดความกลัวเวลาไปถกเถียงกันแต่อันนี้เป็นความลับก็ไม่กล้าเปิดเผยออกมากนอนแกบอกผมพูดได้แค่นี้แต่ผมพูดมากกว่านี้เดี๋ยวผมก็ดูฆ่าตายก็งั้นนั่นเรียบแผลไอ้ที่ก็เลยบอกว่าวันก่อนก็เลยเอาคํา้อนมาดูให้ดูเอาแผนภูมิที่ดรลวีพาวิไลส่งมาถวาย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 แล้วในอีกสามทวีปที่เหลือนะั่นความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองกว่าเราเยอะแต่ว่าเขาดีเขาก็ไม่ดีสุดๆเหมือนเราของเราเนี่ยในทวีปในชมบูทวีปดีที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าได้่งเลวสุดเป็นพระเทวทัศได้่งของเขาไม่คระบของเขาเป็นกลางๆเขาไม่เบียดเบียนกันเขาไม่เบียดดังั้นเขาเอกกรณีที่เขาจะมาเบียดเบียนเราไม่มีนิสารัตไม่ศึกษาพุทธศาสนาเลยกลัวเลยใช่ไหมทามาศึกษาซะก็ไม่กลัว เพราะคนที่จะหห้ามหันกันเองเนะี่ยไม่ใช่คนทวีปอื่นเนะี่เนี่ยคนทวีปเนี่ยเพราะถ้าชั่วแล้วชั่วสุดๆถ้าดีก็ดีสุดๆแลวในยกต่อไปเนี่ยจะเจอยกที่ต่ำลงเรนะื่อยๆจะคนชั่วจะมาเกิดเยอะสิ่งแวดล้อมก็จะเริ่มเสียหายมากขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่ามาศึกษาตรงนี้ก็จะไม่มัวไปมัวกังวลในทวีปอื่นใช่ไก็จะได้มาจัดการทรวีปนี้ นี่โทษของการไมศึกษาพุทธศาสนาเลยไปกลัวคนทวีปอื่นโขาก็กลัวมากเลยนั่นนะได้อยู่ที่กรรมคือการการะทําถ้าไปอยู่ทวีปอื่นบรรลุไม่ได้บรรลุไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชั่วเลวจนเกินไปเขาโดยมากเขาอยู่ในสินในธรรมกันเป็ส่วนมากหมายถึงมนุษย์นะพวกทวีป ท, ทั้งสามที่กล่าวมานี้ งั้นไปเรานี่หลงทวีบกันมาเยอะแยะแล้วไม่ต้องพูดเลยที่มาเกิดชมพูทวีบได้เดียวบุญแล้วแต่แต่ต้องฝึกหัดจิตใจให้สูงนะงั้นถ้าเราคิดจารณาอย่างนี้เห็นจะเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าฉะนั้นคำบอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยที่บอกไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะนะ คือมันอยู่ที่ว่าปัจจัยถ้ามีปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นมาเมื่ อ, อไรแล้วมันก็เกิดขึ้นมาถ้าปัจจัยเหล่านั้นดับมันก็ยกตัวอย่างเช่นโลภขันเนี่ยถ้าอวิชชาตันหกรรมอาหารแล้วก็วิปริณามลักษณะเกิดขึ้นหนึ่มันดับหมดแล้วหรือได้ปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์มันสลายหมดหนึ่ลักษณะอย่างนี้ฉะนั้มันมันมันไม่มีเที่ยงจะเที่ยงแม้ชั่วขณะหนึ่งก็ไม่มี มันมีการเสื่อมไปแตกดับทำลายไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะอันนี้มองในเรื่องของรูปขันไอเวทนาสัญญาสังขารไม่ต้องพูดถึงก็แตกดับรวดเร็วอยู่แล้วอันนั้นเป็นนามธรรมาแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายโดยมากก็จะอยู่กันด้วยความมัวเมาด้วยความไม่รู้เท่าทันตรงนี้ฉะนั้นการเข้าไปสงบระงับอิที่วเตสังวูปะสโมสุโหนี่ความระงับสังขารระงับสังขารอะไร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 อนุปาทิเสศนิพานอย่างพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะภาษารีบุตรพระมหากัจจป่าอนุเป็นต้นเหล่านี้ท่านปริเนพานแล้วสังขานของท่านไม่กำเริบประนั้นเป็นอนุปาทิเสศนิพานทานท่านพ้ท น, นทุกข์กันหมดแล้วฉะนั้นถ้าจะห่วงภาษาศาสนาหรือห่วงพระพุทธเจ้าหรือห่วงภาษารีบุตรห่วงพระโมคคัลลานะใช่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงท่านเหล่านั้นแล้วแล้วท่านก็ไม่ห่วงเราแล้วแต่ว่า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 เนี่ยมันก็กลับมาทํางานกันเดี๋ยวก็จะต้องกลับบ้านเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ําต้องก็ต้องดูแลต้องอะไรเนี่ยถ้าไม่พ้นทุกข์มันก็มากันอยู่อย่างเนี้ยถ้ามันยังสบายดีกันอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เอาก็ลองลุยกันต่อไปใช่ไหมแต่ยังคิดหนะแต่ถามว่าคิดไปคิดมาแล้วจนไปไม่รอดนักเข้านะเข้าไว้ไม่รอดคิดไปคิดมาเออจริงเดี๋ยวจริ ง, รงอย่างที่พระเจ้าว่าคื อ, อมันเดือดร้อนหนิเพราะว่าในที่สุดจริงๆเดี๋ยวก็หมดสะพาว แล้วเดี๋ยวไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องมาทําใหม่กันอีกนั่นไม่ใช่ต่อใช่ไหม น, นับหนึ่งไปจนถึงแปดสิบแล้วเนี่ยพราะตายปุ๊บแล้วก็มาแปดสิบเอดแปดสิบสองที่ไหนออเอาไปเริ่มหนึ่งใหม่โอยนั่นหนึ่งใหม่ไม่เริ่มหนึ่งใหม่นะเนี่ยที่ทำทำไว้ทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมทํานาทําสวนทําไร่ไทําอะไรต่างๆไว้เตะเตรียมบ้านเตรียมช่องเตรียมไรเบดเสร็จเนี่ยว่าจะได้เป็นที่อยู่ บอกว่าหลังจาตายแล้วจะมาต่อต้นทุนเราใหม่เราจะมาเกิดที่ตรงนี้แหละแล้วทุกคนห้ามนะเราทํำพินายกรรมเข้าไว้เบียดเสร็จนี้เราจะมากล้าใหม่ได้ไหมล้ะโอ้ยกฎหมายไม่ให้เราแล้วเขาโดนยึดหมดใช่ะหดี๋่ว่ามันมีอย่างไรนหนึ่งที่เขบอกว่าที่อยู่ที่อุบ น, นที่บอกว่าเป็นคนหวงมากต่อมาก็ตายอันนี้ตอนนี้บวชีนะยอมรูนี้ แปดไปเยอะแปดจะดแปดสิบแล้วก็ตายทายทตงนี้ก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งเออมีคนคนหนึ่งก็ก็ไปทําบุญมีอยู่วันหนึ่งเด็กเนี่ยเราลัดกันคือเด็กไปทําบุญพอกลับมาก็เห็นอะไรตัวสูงๆเด็กถือไม้คานมาด้วยมันก็ไม่กลัวเลยเดินเดินเข้ามาใกล้ก็หายไปก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็อย่าพูดไปอย่างนีเป็นเปรสเนี่ยก็เลยบอกว่าเคยอุทิศเคยอุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่หายก็มายืนอยู่ตรงบ้านนึง นี่ก็เลยให้เด็กคนนี้ไปทําบุญแล้วก็ให้อธิษฐานเด็กก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลนัน่ภาพนั้นก็หายไปอยู่ต่อมามีคนนี้บ้านหนึ่งตั้งครองก็เจริญวัยออกมาก็ว่าเป็นเด็กผู้หญิงพอโตขึ้นมาเนี่ยมันพูดเหมือนหมดเลยพอกําลังพูดได้นี่นะมันบอกว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีลูกชื่อนัน้นชื่อ น, นีบอ้บอกเลยเนี่ยเขาพาไปจริ ง, รงมันก็เล่าให้ฟังเลยมันบอกไปเกิดเป็นเปรตตายแล้วเนี่ย มันคนรักผ้าไหมมากย่างคนนี้ยรักผ้าไหมเก็บผ้าไหมไว้อย่างเยอะเลยอ่ะเ้าไหมไว้อย่างเยอะเลยแล้วก็สมบัติอะไรต่างๆก็ยืนร้องไห้อยู่นะก็เอาผ้าไหมไปคนเอาไปขายบ้างอะไรบ้างแม่พักลูกหลานแบ่งสมบัติกันน่ะยืนร้องไห้ยืนร้องไห้โอ้ <c oughs> โหเขาบอกร้องร้องก็ไม่มีใครได้ยินก็ว่างั้นร้องอยู่นั่นแหละร้องอยู่นั่นนี่ก็อาศัยว่าเด็กตัวเนี้ย อ่ะอุทิศสนกุศลให้ก็ตายตายมาเกิดพอมาเกิดเบ็ดเสร็จแล้วลึกได้เขามที่เขามาเนี่ยเขาบอกเขามาเขาก็เล่าเขาก็เออจริงเล่าได้ถูกหมดเขาบอกเขามาจะมาของเขาอ่ะเขาผ้าไหมได้ผ้าไหมไปอยู่สามผืนตรงนั้นเขาขายแล้วที่เหลือนั้นก็ไม่ให้เนะบ้านเขก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ทรัพย์สินเงินทองเขก็ไม่ให้ให้ผ้าสามผืนกอดผ้าร้องไห้เด็กคนเนี้เพระพราะโตขึ้นมาก็ก็ก็บวช เดี๋ยวนี้บวทีเห็นไหมว่ากฎหมายก็ไม่ให้ต้องต้องไปขอเขาด้วยนะสามพื้นนะโอ้ต้องไปต้องอ้างเรื่องเยอะแยะก็จําคนได้คนนี้เป็นลูกเป็นายแก่หมดแล้วลูกแก่ผมงอขาหมดแล้วเล่นเองยังเป็นเด็กนี้อันนี้นานๆจะเจอีส้ลักษณะแบบนี้มันมันก็น่าช้าใจเหมือนกันเนี่ยทำมาเทพตายกู โอ้หพวกมาถลุงใช้อยู่นี่ไม่ตอนเราอยู่นี่เราจะใช้แต่ละทีนี่เราแสนจะไปเข้ามาหวัวใจกันอย่า ง, งพุ่มเฟือยลูกหลานไม่ค่อยนึกถึงปู่ย่าตายายปเป็นอย่ก็ก็ก็เป็นรักษนิทไงฉะนั้นมันมันนับหนึ่งไม่ได้ พอเปลี่ยนภพชาติแล้วก็ถ้าอย่างนั้นมันก็อ้างกันใหญ่ใช่มเนี่ยพระเพรก็จะอ้างรู้เป็นจริงรู้ไม่จริงตัวนี้อ้างกันวุ่นกันหมดเลยฉะนั้นก็มันก็มันก็มันก็เป็นอย่างนั้นสมบัติผัดกันชมคือตอนที่เรามีอยู่เราก็ไม่คิดว่าเราจะจากมันเร็วดีแล้วก็มันไม่กล้าคิดเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างเช่นย้อันพกลับไปที่บ้านเนี่ย เพื น, นี่ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากแล้วอะไรแล้วคิดไม่นทุกวันแบบเนี้ยก็ไม่เคยกล้าคิดทุกวันหรอกเพราะจะไปคิดทุกๆวันกันมายเป็นนั่งเป็นทุกข์อีกปัญญาก็ไม่เคยเกิดดิอเออย่างยอมบางคนก็บอก่ทินเขาแก่เท้ า, าทําอะไรไม่ไหวแล้วก็นอนนอนดูอะไรก็บอกให้เดี๋ยวเราอันนี้ก็เราทําไว้อันนั้นก็เราทํนนาทไว้นี่ก็เราทําไว้มองเห็นเราทําไว้หมดเลย แล้วก็โอ้เดี๋ยวเราต้องจากกันแล้วนี่ใจไม่ค่อยดีนะทีอธิษฐานะขออย่ายให้ตายเร็วเลยให้ยอยู่นานๆก็ อ, อธิษฐานกันอีกมันไม่ไหวถึงอธิษฐานยังไงมันก็ไม่อยู่สังขารมันเป็นอย่างบทว่าวิโมกโขแปลว่าหลุดพ้นไม่ติดข้องด้วยทำอะไรอะไรถึงความไม่มีบัญญัติโดยบการทั้งบูมเป็นเช่นเดียวกับความดับของไฟที่พรงแล้วก็หมายความว่า ถ้าผู้มีพระเจ้าเนี่ยที่บอกว่าระงับสังขารทั้งปวงเนี่ยนะคําว่าปริณิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรดีเหมือนไฟที่ดับไฟที่ลุกโผลงแล้วดับถ้าถามว่าไฟนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีแล้วมันไม่มีเชือ้อไฟนั้นมันหมดเชือ้อมันเลยไม่ลุกนะ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 เพราะทั้งสามนี้ยังละโทมนัสไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงประคองแขนทั้งสองข้าควรแล้วก็ร้องไห้อัจชายันติเทวดายกโทษกล่าวว่าพระพู้มีประภาคทั้งหลายไม่อาจจะอดกลัน้นแม้ด้วยตนเองได้จะปอบยนชนอื่นได้อย่างไรคือพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาเทวดากล่าวตอนนั้นเนี่ยพระก็ร้องไห้ พระ ท, ที่เป็นพระที่เป็นพระโสดาบันร้องไห้พระที่เป็นพระสกาธามีก็คามีก็ร้องไห้เทวดาก็เลยพูดวแบบ่าพระคุณเจ้าเพราะงั้นนะพระเทวดาบอกเทวดาก็ตะโกนบอกท่านทั้งหลายไม่อาจจะโอดกลั้นแม้ตนเองได้แล้วท่านจะไปปลอบโยนคนอื่นได้ยังไงคือคนร้องกันละงมหมดคนเป็นเรือนล้านเนี่ยนะร้องกันละงมเนี่ยพระก็ร้องเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เราไปอยู่ตรงนั้นบ้างม ฉะนั้นพาก็ลบพาก็ร้องใช่ไหมก็บอกถ้าท่านร้องอย่างนี้แล้วจะไปไปปอบโยนคอื่นได้อย่างไงเมื่อราตีที่ยังเหลือระยะเวลาเล็กน้อยเพราะปรินิพพานในเวลาใกล้รุ่งเนี่ยนะทำมิยาคาถายะก็ไม่มีทำเป็นคาถาที่จะแยกออกไปจากอย่างอื่นพระเถระทั้งสองอยังเวลาให้ล่วงไปได้วยทำมิคาถาก็คือท่านทั้งสองกล่าวเรื่องอะไรกล่าวในเรื่องของโมระนานุสติกล่าวในเรื่องความตายอะ่ะว่าเป็นความแทงแพ้แน่นอนนะ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 ขนาสังขารของพระเจ้าขนาดนี้ยังมากระชากไปในลักษณะอย่างเงี้ยจะป่วยกล่าวไปยัยกับสังขารของท่านทั้งหลายเล่าฉะนั้นสังขารของพระโสดาบันพระสะกาทาคามีบ้านาคามีสังขารของบุตุชนสังขารของบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีการต้องไม่เที่ยงเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเป็นต้นเหล่านี้ก็กล่าวไปลักษณะอย่างเนี้ยนะฉะนั้นในโลกียมหาชนทั้งหลายก็ฟังทำมีคาถาจาก พระอาหารจากพันป้านนทเป็นต้นเหล่านี้ก็จะกล่าวคําสอนอย่างพันนนท์เนี่ยกล่าวไปร้องไห้ไปอยดีมัน <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลยนะสมัยนั้นนะ่ะนะพวกเจ้ามาลัลลาเมืองกรุงกุสีเนลาประชุมกันที่สันถาคามขอท่านทั้งหลายจงสําคัญการนั้นควรเถิดบัดนี้เจ้ามาลัลลาพระโอรสพันนท์ก็เข้าไปแจ้งข่าวว่าพวกลงมาสาสดาบริณีพานแล้ว บรรดาเจ้ามลลาพระโอรสสุนิสาประชาบดีได้สดับคําของท่านพระนนลแล้วเนี่ยเป็นทุกเสียประไทยเปลี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจบางพวกก็สยายเกษาประคองหัดทั้งสองข้าควรล้มกลิ่งเกลือไปมาเนี่ยนะก็ขํามควรว่าพระบ ร, รมศาสดาเสด็จดับขันธบดีนิพานแล้วเนี่ยคั้งนั้นเจ้ามลลารับสั่งกับพวกบุรุษว่าพวกท่านจงเตรียมของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีทุกชนิดในเมืองกุสินราให้พร้อม ย่ามาละต่างถือเอาของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีเหล่านั้นพร้อมทั้งผ้าห้าร้อยคู่สเสด็จไปยังสารวันสเสด็จเข้าไปถึงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคทําทสการสการละเคารพ บ, บูชาศรีระของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วก็ทําการฟ้อนลําขับร้องประโคมของหอมก็มีการฟ้อนล้ำด้วยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าลําถวายนะลําถวาย ไม่ใช่ลํำแบบดีออกดีใจนะลํำถวายแล้วก็คาดเพดานด้วยผ้าตกแต่งรงบนดบยังวันนั้นให้ล่วงไปด้วยประกาศอย่างนี้พวกเจ้ามาลได้ทำการบูชาด้วยการฟ้อนลํำขับร้องประคคมของหอมดอกไม้เป็นเวลาเจ็ดวันก็แปลว่าดำริจักอัญเชิญพระสรีละของพระพุทธเจ้าไปทางทิศทักษิณทักษิณนี่ทิศไหน ทิศใต้แห่งพระนครเชิญไปภายนอกพระนครถวายพระเพลิงทางทิศทักษิณแห่งพระนครนั้นสมัยนั้นมลน่าปามูกมลร่าปามูกแปดคนนะนะมละปามูกแปดค น, น, น, คนสง์สากก้าวแล้วก็นุ่งห่มผ้าใหม่ดำดิว่าเราจักยกพระสรีระของพระพุทธเจ้า ก็ไม่อาจจะยกขึ้นได้พวกเจ้ามัลลากุสินาราได้ถามท่านพระนุรุทธะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอ่ะคือมัลละปามปู่ก็คนมีกำลังะนะแปดคนเนี่ยไม่อาจจะยกพระสรีระของพระบรมศาสดา ข, ขึ้นได้พระนุรุทธะก็กล่าวว่าพวกท่านมีความประสงค์อย่างหนึ่งแต่พวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งเจ้ามัลลาก็ถามว่าเทวดามีความประสงค์เช่นไร คือว่าความประสงค์ของมนุษย์กับเทวดาขัดกันเมื่อขัดกันก็ยกไม่ขึ้นเออเรื่องการยกไม่ขึ้นเนี่ยสมัยก่อนนิพพัทธระบระองค์เก่งจริงนะเออที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่นะท่านเก่งมีนิพพัทธร ะ, ท, ะท่านบรรณภาพไปแล้วอันนี้ก็มาเล่าเป็นเป็นข้อคิดกับเป็นเรื่องแปลกอาจจะเป็นเพราคนหิวข้าวกันหรือเปล่า คือเขายกบ้านกันมันจะยกกุฏิกุฏิมีสามหลังก็คนจะเป็นเกิดเป็นร้อยเขาุดหลุมแล้วก็ยกย้ายจากที่นี่ไปยกไปได้สองหลังอีกหลังสุดท้ายกำลังจะยกหลวงพ่อท่านนี้ท่านก็บอกว่าเอ้ยมากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยยกอุ้ยไม่ได้เพราให้เสร็จไปเลยก็าบอกงั้นนะท่านก็ไม่พูดอะไรท่านก็เดินยกกันจนคานหักก็ไม่ขึ้นเลย อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกไม่รู้เป็นความประสงค์ของใครอันนี้ไม่ทาแต่ยกไม่ขึ้นกันจริงๆในที่สุดจริงๆต้องมากินข้าวก่อกินข้าวเสร็จก็ไปยกก็้วขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ยกสมไม่ขึ้นถ้าอนุรธธุทธาก็บอกว่าพวกเทวดาประสงค์ว่าเราจะดสาการะเคารพนับถือบูชาพระสิริราชโดยด้วยการพ้อนลำขับร้อมระโคมของหอมอันเป็นทิพย จากอันเชิญไปทางทิศอุดรแห่งพระนครแล้วก็สู่ทางประตูทิศอุดรก็คือไม่ไปทางทิศใต้จะไปทางทิศเหนือเชิญไปท่ามกลางพระนครออกจากประตูทิศบูรพาแล้วก็ถวายพระเพลิงของพระรูป asadaw ที่มกุดพันธเจดีของพวกเจ้ามัลลทางทิศบูรพาแห่งพระนครของเจ้ามัลลขอให้เป็นไปตามความประสงค์องทเทวดา ข่านุตรถาก็ บ, บอกนะบอกเออขอให้ให้สงเป็นไปตามประสงค์ของเทวดาเนะีทีนี้สมัยนั้นอ่ะกรุงกุสินราเนี่ยแต่ละดาดไปด้วยดอกมณฑารบนะสมัยนั้นอ่ะนะดอกมณฑารบนี่พวกเทวดาและเจ้ามลลากุ้งกุสินล า, นาทําการส ก, การาบูชาพระพุทธเจ้า พระบรมศรพของพระพุทธเจ้าโดยการฟ้อนร า, าขับร้องประโคมด น, นตรีและดอกไม้กองหอมทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เตรียมการอัญเชิญพระสรีระของพระพุทธเจ้าไปถวายพระเพลยังมกุูดพันธะนเจดีย์ตอนนี้ไปดูก็ต่ำลงมาเยอะนะสมัยก่อนมะกรูดพันธะเจดีย์สูงเป็นภูเขานะต้องขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างภูเขาขึ้นไปอย่างเงี้ยสองพันกว่าปียุบลงเหลือแค่นั้นนะ่ะที่เราไปดูกัน น, ะนั่นแะไรที่ถวายพระเพลย ถ้าสมัยก่อนนะขึ้นไปยังภูเขาคิชกูดอย่างนั้นนะสูงลักษณะอย่างนั้นจงจึงดาริว่าเราจะ บ, บูชาพระพุทธองค์ด้วยเครื่องมหารดา่าอคือตอนนั้นนางมาริกาภรรยาของพันธุลาหาเสนาบดีเรามาลับปาโมกกาลังอัญเชิญพระสรีระของพระภูมิภพระผ่านมาทางเรือนของนา ง, งานางก็ดําริว่าเราจั บ, บูชาพระพุทธองค์ด้วยเครื่องมหาดาราปราสาสตร คิดดังนี้แล้วนางก็สั่งให้บริวารทําความสะอาดมหรดารดาประสาทให้ชําระด้วยน้ําหอมแล้วก็วางเตรียมไว้หน้าประตูเรือนเมื่อมันละปาโมกอันเชิญพระสรีละของพระบรมศาสด า, าผ่านมาถึงประตูเรือนนางมาลิกาก็กล่าวว่าขอท่านจงวางพระสรีละของพระเจ้าลงกรเราประสงค์จะบูชาพระบรมศาสด า, าด้วยเครื่องประดับนี้นางมาลิกาวางมหดาดาประสาทนั้น นางมลณิกาก็วางมหาระดาประสาทนั้นทาบลงบนพระศรีระของพระผู้มีพระภาคของพระองค์ตั้งแต่พระเศียรจนจดพระบาทพระศรีระาของพระองค์ซึ่งมีพระชีวิวันดุจทองเมื่อประดับด้วยมหาระดาประสาทแล้วก็รุ่งเรืองยิ่งนักนางมณิกาเห็นดังนั้นมีจิตผ่องใสตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคตราบใดที่ข้าพระองค์ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรตราบนั้น สรีระของข้าพระองค์จงเป็นเหมือนหนึ่งสวมใส่เครื่องประดับนี้อยู่เป็นนิดเถิดอะโหแตนน่คนมีความคิดต่อไปเวลาไปบูชาพระธาตุต้องหาอะไรบูชาให้ใหสว่างสว่างหน่อยนะ <c oughs> ไปที่ไหนคนมองกันเป็นกิโลกิโลเอาอะไรดียังผ้านะเนี่ยผ้าสวยๆถักเย็บให้ดี มลลาปามโอขยกศรีลาของพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยเครื่องประดับมหาลดาประสาสตรออกทางประตูทิศตะวันออกวางศรีลาของพระผู้มีพระภาคณนะมากุฎพันธเจดีทางเบื้องทิศตะวันออกของวณัณโรคพวกเจ้ามัลละได้ถามพระอนุนว่าพวกข้าพระเจ้าจะพึงปฏิบัติต่อศรีระของพระพุทธพระตถาคตเช่นไรพระอนุนก็กล่าวว่าพวกท่านพึงปฏิบัติต่อศรีลาของพระตถาคตเหมือนอย่างที่ปฏิบัติ ตรีละพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพวกเจ้ามัแล้ก็ถามว่าก็เขาปฏิบัติสตรีละของพระเจ้าจักรพรรดิกันเช่นไรนี่มาถามเพราะพระนรนจําได้ใั่ไมพ่อถามพระเจ้าก่อนพระนรนก็ตอบว่าเขาจะห่อพระศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสําลีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่ด้วยอุบายอย่างเนี้ยศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยผืนคือใช้ผ้าห่อสำลีซับผ้าห่อสําลีผ้าเนี้ยห่ออย่างห้าร้อยผืน เชิญศรีละลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ํามันหอมคอบด้วยรางทองอื่นแล้วก็สร้างจิตกาทานใบไม้หอมทุกชนิดถวายพระเพลิงศรีละของพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปพระเจ้าจักรพรรดิไว้ทางสี่แพร่งเขาปฏิบัติในศรีละของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยอาการอย่างนี้พวกท่านพึงปฏิบัติในศรีระของพระตถาคตเหมือนที่ปฏิบัติศลีระของพระเจ้าจักรพรรดิเ ช, ช่นเดียวกันสร้างสถูปพระตถาคตไว้ในทางสี่แพร่ง ชนเหล่าได้จักบูชาด้วยดอกไม้ทองหอมจักทําการอภิวาทหรือจักยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถุมนั้นแล้วเนี่ยเขานั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลละนานพวกเจ้ามลระกระสักเนี่ย น, นะจึงรับสั่งกับราชบุรุษบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสํารีและผ้าไว้ให้พร้อมพวกเจ้ามลระได้หอ่อพระสรีระของพุทธเจ้าด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสํารีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่ด้วยอุบาย พอพัศรีร่ของพระผู้ไว้ภาคด้วยผ้าห้าร้อยผืนแล้วก็อัญเชิญลงในลางทองอันเต็มด้วยน้ํามันหอมครอบด้วยลางทองอื่นแล้สร้างจิตตกาทานด้วยไมห้หอมทุกชนิดแล้วก็อัญเชิญพัศรีระาของพระเจ้าเข้าสู่จิตตกาทานนี่เป็นอย่างนี้เขาก็ทําทําในลักษณะอย่างนี้นะไปดูในอัตถกถาในช่วงนี้ก่อนอัตถกถาท่านบอกว่าอัฏฐมัลลาปาโมกเนี่ย คือพวกเจ้ามัลลาเนี่ยรุ่นมัดชิ ม, มวัยอันสมบูรณ์ด้วยเรล่แรงเขาเรียกว่ามัลลาปามโมกคือคนที่กําลังเป็นหนุ่มที่กําลังแข็งแรงเจ็ดแปดคนเนี่ยนะที่มายกสรีละพระเถระพระนุลท้าผู้เดียวปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีทิพยจักรสุเพราะฉะนั้นเจ้ามัลลาเหล่านั้นจึงเรียนถามพระเถระด้วยประสงค์ว่าพระนุรลท้านี้จะบอกแก่พวกเราให้ชัดเจน เขถามว่าเถระบอกว่า ม, มีที่พรจักรุกอยู่แล้วอนี้ยสมัยก่อนเนี่ยพระอรหันต์ที่มีอภิญญาเหล่านี้มีเยอะแยะหมดหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยเขาไปถามว่าอยากรู้อะไรก็ไปถามทุกวันนี้ถ้าไปถามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพระโกกไม่มี <c oughs> ใช่ไหมพระไม่มีตรงนี้้ององค์อาจจะมีนะคําว่าเกดีของพุกเจ้ามาละชื่อว่ามากุฎพันธนานั้นเป็นชื่อของศาลามงคล เป็นที่ตั้งของพระองค์พวกเจ้ามันละสลานี้ท่านเรียกว่าเจดีคือสร้างไว้อย่างงดงามทิเพหิจามานุ ส, สเกหิจะนาเจหิเป็นต้นคขาบ่าการก้อนําของเหล่าเทวดาเบื้องบนของเรามนุษย์ณนะเบื้องล่างในการขับร้องเป็นต้นก็ในเนี่ยเทวดาก็มีคือเทวดาและมนุษย์มาพากันบูชาด้วยการขับร้องคือข้างบนบนบนสวรรค์เนี่นะเทวดาก็ประคมขับร้องข้างล่างมนุษย์ก็เล่น สรุปแล้วก็คือว่าขับร้องประคมดนตรีกันเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่แบบสนุกสนานล่าเริงเนี่ยเป็นไปแบบเป็นไปกับคำสอนเมื่อสรีละของพุทธเจ้าถูกนำมาอย่างนี้ภรรยาของพันธุระเสนาวดีชื่อมาริกาเนี่ยนำสศรีละของพระธรรคตมาก็คิดว่าจะเอาเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทเช่นเดียวกับเครื่องประดับของนางวิสาขาเก็บไว้ใช่สอย แต่ตั้งแต่สามีตายไปจักบูชาพระตขาคตด้วยมหาราดาปราสาทนี้คือนางในสามีข้างนางในตายเนี่ยไปรบแล้วก็ถูกพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยสั่งให้ฆ่ า, าตายทั้งพร้อมทั้งลูกนางก็ศรัทธาก็เอานี่มาถวายทำความสะอาดมหาราดาปราสาทนั้นชำระด้วยของหอมวางไว้ใกล้ประตูเครื่องประดับที่เรือนของสตรีนะ แล้วก็วางท่าบลงในศรีระของพุทธเจ้าคือสวมเครื่องประดับให้กับพุทธเจ้าวางเงนเถอะเขาวางทาบเขาบูชาด้วยลัตนเกจประการนางมาริกาเห็นดังนั้นก็มีจิผตผ่องใสต่าถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จากโลดแล่นอยู่ในวัฏสงสารตราบใดตราบนั้นกิตเครื่องประดับจงอย่าแยกจากข้าพระองค์บอกว่ามไ่เกิดในชาติใดก็แล้วแต่ก็มีเครื่องประดับลักษณะอย่างนี้ให้มีความงดงาม บุกคลเหล่านี้ยไปเกิดในชาติไหนอย่างมากครับอย่มากก็เป็นระดับมอเิสีหรือเป็นจกักรพัินีอย่างเงี้ยเนี่ยระดับสูงเลยมีเครื่องประดับเต็มไปหมดนี่เป็นผลนะเป็นผลเล็กๆในน้อยสรีระจงเป็นเช่นเดียวกับเครื่องประดับครั้งนั้นพวกมันละก็ยกพระศพของพระผู้มีพรภาคเจ้าที่ทําด้วยรัต น, นะเป็นต้นเหล่านั้นไปทางทิศบราทรพาดังที่ได้กล่าทีนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระหมหากราศ สมัยนั้นเนี่ยนะพระมหากสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเดินทางจากเมืองปาวาสู่กุสินาราลําดับนั้นน่ะท่านพระมหากศพบแวะออกข้างทางพักที่โคนต้นไม้สมัยนั้นอาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินาราเดินทางมาไกลมาจากเมืองปาวาเนี่ยนะท่านพระมหากศพบได้เห็นอาชีวกเหล่านั้นมาแต่ไกลก็ถามว่า ย่าเลยผู้มีอายุท่านทราบข่าวพระบรมศ า, ศาสดาของเราบ้างไหมถามข่าวพระพุทธเจ้าอาชิวกก็ตอบว่าเราทราบอยู่วันนี้พระมาพระสมณโคโดมปรินิพพานได้เจ็ดวันแล้วนี้ดอกมณฑารบเราก็ถือมาแต่ที่นั่นบรรดาภิกษุพอได้ฟังว่าพระบรมศาสด า, สดาในนิพพานเนี่ยภิกษุที่ยังไม่ปราศจากราคะทีนี้ร้องไห้ แต่ภิกษุที่ปราศจากราคะก็ยังความสังเวทให้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อนั้นจะหาได้ในสังขารแต่ที่ไหนในสมัยนั้นมีภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ชื่อสุพัทธ์วุฒาบันวชิตกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยเราพ้นดีแล้วด้วยว่าพระสมมานานั้นเบียดเบียนพวกเราอยู่ นีมีเลยนะขณะดพระเจ้าบริญ พ, พานแค่เจ็วันเนี่ยนะสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอบัตรนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะกระทําสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จักไม่กระทําสิ่งนั้นบอกว่าไปร้องไห้ทําไมเล่าเขว่างั้นนะพระพุทธเจ้านิพพานน่ะดีแล้วต่อไปจะได้ไม่มีคนมาบัญญตัติเรื่องยุ่มยิ้มเล็กๆในน้อยบวดหัวเนี่ยนะนีคิดอย่างสุวัตเทาพุทธบันปะเชษเนี่ยลําดับนั้นปะหมหากับศพเนี่ย เดืภิกษุทั้งหลายพอได้ยิงก็สะลดใจเลยว่าพวกเธออย่าเศร้าโศกล่ำไรไปเลยพระผู้มีภาคเจ้าตรัสสอนอย่างนี้ว่าไม่ใช่หรือว่าความเป็นไปต่างๆความพัดคราดความเป็นอย่างอื่นต้องมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วมีปัจจัยประชุมปรุงแต่งแล้วเนี่ยมีการดับมีการทําลายไปเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทําลายไปเลยเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้คําว่าปาปะยากุสิณารังนี่ก็แล้วท่านพระมหากรสปาเนี่ยเดินทาง ด้วยหมายใจว่าจักเที่ยวไปบินธบุดในนคนปรปาวาแล้วก็จะไปนครกุสินาราเนีทีนี้ในคําว่านั่งนักโคนต้นไม้เนี่ยท่านไม่กล่าวว่าพักกลางวันต่อว่าเพราะท่านไม่ได้นั่งเพื่อต้องการจะพักกลางวันความจริ่งภิกษุบริวารของพระเถรละล้วนแต่จำเริญศกมีบุญมากท่านเดินทางด้วยเท้าบนแผ่นดินที่เหมือนแผ่นหินอันร้อนในเวลาเที่ยงทากันลําบากพระเถระเห็นภิกษุเหล่านั้นก็คิดว่า ภิกษุทั้งหลายพากันลำบากตอนเย็นจริงค่อยเดินไปที่กุศินาลาเฝ้าพระพุทธองค์ก็แวะออกจากทางปูราสังคาติพ้าสมัยก่อนก็เดินทางห้าร้อยูปเนี่ยเนี่ยตลอดวันไหนก็จะไปเดินเจากพุทธมนตรไปที่นาราฐสภ า, ากันก่อไม่ไหวร้อนตายเลยเนี่ยฮะเดิน ก็ก็ดีแล้วทาไมห้ามก็ลําบากใหญ่เลย <laughs> นี่มันผ้าหากระสอบท่านท่านเดินเห็นว่าอากาศร้อนก็หลบแล้วก็อน้ําจากคันโท ร, รูปมือรูปเท้าให้เย็นแล้วก็นั่งลงเลาภิกษุบริวารของท่านก็นั่งนักโคนไม้ใช้โยนิโสมนาสิกานมนาสิการกรรมฐ า, านต่างคนต่างนิ่งห้าร้อยรูปเหมือนไม่มีไม่มีพระมีอยู่รูป นั่งสระเสริญพทคุณด้วยอะไรด้วยบางองค์ก็เจริญพุทะคุณกันบางคนก็เจริญทรรมคุณสรรคคุณก็มีความสุขอาชีวอกเนี่ยเอาไม้เสียบดอกมณฑารบขนาดใหญ่ถือมาพระเทละาเห็นอาชีวอกเดินมาแต่ไกลก็คิดว่าดอกมณฑารบไม่ปรากฏในถิ่นมนุษย์จะมีก็อยู่ในผู้มีฤทธิ์ต่อเมื่อพระศัพทพันยโยคทิสั์สเสด็จลงสู่คันเป็นต้น แต่วันนี้ผู้มีฤทธิ์ท่านใดก็ไม่มีได้สแสดงฤทธิ์พระาศาสดาของเราไม่ได้เสด็จลงสู่พระครันไม่ได้เสด็จออกจากพระคันวันนี้พระองค์ก็ไม่ได้จักสรู้ไม่ได้ประกาศธรรมจักรไม่ได้แสดงยมา ก, กับปฏิหารไม่ได้เสด็จลงจากเทวโลกแล้วก็ไม่ได้ทรงปรองภัยชนอายุสังขารพระาศาสดาของเราทรงชราจักปรินิพานเป็นแน่แล้วรู้ทันทีเลยคือท่านแค่คิดนี่ยนะท่านบอกว่าเออดอกมณฑารบเนี่ย ผู้มีฤทธิ์เท่านั้นทจะทำให้เกิดขึ้นมาได้เอะดอกมันทารบเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าลงสู่ครันออกจากครันใช่ไตัดตรู้แสดงธรรมจากรหรือว่าแสดงยมกับปฏิหารปรงประชนมายุสังขารไี่ไม่ใช่ไอตการณเหล่านี้มีหมดแล้วเนี่ยคิดออกเลยโอ้พรินิพานเนี่แค่นี้พระนิพานแต่ท่านก็ถามท่านก็เลยถามบอกว่า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 ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ปันหนึ่งพญาช้างฉัตรทันหลีกออกอยากที่ยืนคุมหนังแก้วมณีเะนั้นยกอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วยทษสะนักขะสโมทานก็คือยกมือทั้งสิบขึ้นมารักะนี้ผพินหน้าตรงอาชีวกด้วยคราวะที่ทำให้ทำในพระาศาสดาถามว่าผู้มีอายุท่านทราบข่าวพระาศาสดาของเราบางไห เคารพพระพุทธเจ้าพอพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ปนมปนมืองปนมมืองถามว่าท่านมหากรสตอบเนีรู้หรือไม่รู้ว่าการปริเนิพานของพระศาษษษสดาทำไมจังถามตอบว่ารู้เพราะการปริเนิภานของพระรมศาสดาได้กําหนดไวช้ชัดเจนโดยนิมิตทั้งหลายมีการไหวของมื่นโลกธาตุเป็นต้นแม้รู้อยู่แต่พระเถระก็ถามเพื่อให้เกิดสติแก่ภิกษุทั้งหลายโดยคิดว่าในบริ ษ, ษัทของภิกษุบางคนเคยเห็นพระตถาคตบางคนไม่เคยเห็น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 ก่อนที่จะไปร้องไห้ต่อหน้าพระพักทําให้ประชาชนเขาดูถูกเช่นว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นบุรุษชนเนี่ยถ้าไปเห็นพระเจ้าประนิพนธ์เกิดมาใช่ไหมเกิดในยุคนั้นแต่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยอย่าเงี้ยมานเป็นลูกศิษย์ของพระมหากรสบเนี่ยแต่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าเลยเนี่ยทิ้งบาด ท, ทิ้งยีวอนใช่ไหมเหลือแต่สะบองจะไปร้องไห้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้บุรุษชนได้ยินมาว่า สุภัฒน์ท่าเนี่ยนะก็พากันเศร้าโศกทีนี้ในกลุ่มเหล่านั้นนะสุภัฒนท่เนี่ยเป็นชื่อของภิกษุแต่เมื่อภิกษุบวชเมื่อเวลาเป็นคนแก่ท่านเรียกอาวุธท่าบัณฑชถามว่าทําไมสุภัฒท่ถึงกล่าวลักษณะอย่างนั้นสุภัฒนท่านี่ตําหนิพระพุทธเจ้าคืออาชาตเนี่ยได้ยินมาว่าสุภัฒนท่าภิกษุเนี่ยเคยเป็นช่างตัดผมในเมืองมาอาตุมานคร ท, ที่ในในพระวินัยท่านกล่าวไว้ท่านบวตอนแก่นะคือพระภูมิภาคเสด็จจากกรุงกุศินราไปยังอัตุมานาครพร้อมด้วยภิกษุสองรอยห้าสิบรูปคิดว่าจะทํายาคูถวายคือว่าท่านก็คิดดีอยากทําบุญเนะี่ยท่านก็เรียกบุตรสองคนซึ่งกําลังเตรียมตัวเป็นสัมมนเนนเอาบุตรสองคนมาแจ้งแต่มีลูกะนะถึงความต้องการว่ายาคูถวายสั่งบุตรว่าจงถือเครื่องมือ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 จะทำอย่างไรสุภัท t h ก็สั่งให้พวกเขาถือสิ่งของต่างๆช่วยกันสร้างเตาไฟบ้างหุงต้มบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ทำกันตลอดทั้งคืนสละทรัพย์แสนหนึ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยเหมือนเป็นงานใหญ่เลยเหมือนจะถูกนทำแบบนี้เห็นไหมทั้นเวลาเช้าตู่พระพุทธเจ้าปฏิบัติส ร, รกิจสรีรกิจแล้วเนี่ยพิสุสงก็แวดแล้อมบ่ายหน้าไปยังอตุมานครเที่ยวบินนาบั ผู้คนทั้งหลายก็บอกแก่สุภัทภภิกษุว่าสุภัทภภิกษุนุ่งผมผ้ากาสาวพัดดำเอามือข้างหนึ่งจับทัพพีแล้วก็กระบวยเนี่ยนะคุกเข่าข้างขวาลงที่พื้นถวายบังคมทูลบอกว่าขอให้พระพู้ห้พระเจ้าโปรดรับข้าวยาคูของข้าพระองค์ได้เถิดลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามแลวทรงฟังคานั้นแล้วทรงติเตียนสุภัทบรรพชิต ในเรื่องนั้นกระทรงบัญญัติสิกขาบทคือว่าด้วยการชักชวนในสิ่งอันเป็นอากาักบพยาและสิกขาบทว่าด้วยการรักษาคเครื่องมีดโกนโดยในมาในขันตะกาว่าตถาคตแม้ทรงทราบก็ทรงถามเรื่องนี้เป็นต้นแล้วตัดว่าดูกพรพิกูตรทั้งหลายภิกษุผู้แสวงหาโภชนะล่วงไปถึงหลายโกรธกับพวกเธอบริภโภคโภชนะที่เป็นอักบิยาของพวกเธออันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบทรรจะต้องไปบังเกิดในอบายทั้งหลาย แล้วหลายแสนอัตภาพจงหลีกไปอย่ามาหยุดยืดดังนี้แล้วได้เสด็จบ่ายประพักไปก็บอกว่าถ้าใครรับไปฉันอาหารสุภาธาปริพาชก ค, ครั้งนี้อาจจะลงนรกมาหมดเลยเพราะว่าเป็นอาหารที่ได้มาโดยไม่ชอบทำได้มาโดยอากัปปิยะพระไม่ควรไปทําด้วยตนเองก็จะใช่งไหมพระไปหุงต้มเองไปทําเองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปชักชวนมาก็ไปเป็นพ่อครัวเองเนี่ยแล้วมาทํากินเนี้ยอันนี้เป็นอากัปปิยะ ฉันไปจะเป็นอาบัติทุกคำเกินฉะนั้นถ้าพวกเธอฉันอาหารตรงนี้แล้วจะลงไปในไบโยภูมิทุกคนไม่มีใครรับเลยเดินสบาสุภาัสาเสียใจผูกอาฆาตเลยบอกว่าพราะองค์คิดว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ประสงค์จะรับทําไมไม่สั่งคนมาบอกว่างั้นนะเออทาไมมันมันคล้ายๆว่าไม่เห็นแกนหน้าเราเลยใช่ไหมถ้าไม่รับก็น่าจะสั่งคนมาบอกทําไมประกาศต่อหน้าคนตั้งเยอะแยะเงนี้นเหมือนฉีกหน้านะเนี่ยเลยอาฆาตเลย เลยาคาดเลยพอมาถึงในวันนี้ก็เลยบอกว่าดีแล้วที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทัปริทิพานได้จะไ ด, จะไดไ้จะได้ไม่มาบัญญัติอะไรให้ให้เดนือเหนื่อนี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะอันนี้วันนี้ก็สมควรเกี่ยวเวลานี้ใครจะถามเลยไนมะ